ตรงนี้ก็เป็นการศึกษาในคำพีพระพิธรรมอภิดกเนาะเอ่อศึกษาคำพีพิธรรมปิดกหนังสือเล่มนี้รวบรวมตามความในอภิธรรมมัตฐสังกหาบริเขตที่หนึ่งอันนี้ว่าตามพานุรุ ธ, ธาจาร์ที่รจนาไว้เลยเนะชื่อว่าจิตตสังขาวิภาคคำว่าจิตตสังหาวิภาคนเนี่ยมีความหมายว่าเป็นส่วนที่รวบรวม ในการกล่าวถึงจิตปรมัตย์ว่าโดยย่อเนี่ยในเล่มนี้ก็คือคู่มือการศึกษานะจิตปรมัตย์นี่แหละที่กล่าวในเรื่องของจิตอันนั้นข้อความเบื้องต้นนะอภิธรรมวัตจสังขารเนี่ยที่ควรกล่าวก็ไว้ในเรื่องการศึกษาในที่นี้เขากล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนับตั้งแต่ตัศรุนุตระสัมมาสัมพุธิยานก็โปรดเวนยสัตย์ เป็นเวลา45ปีก็คือพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จัดสรรไว้เป็นปีดก3มีสามหมวดนั่นเองเรียกว่าไตรปีดกก็คือพระวินัยวีดกพระสุตตันตปีดกและอภิธรรมม่ปีดกเออในด้านของพระวินัยปยาีดกทำใดที่สแสดงไว้เป็นข้อบังคับเป็นระเบียบแบบแผนให้ประพฤติปฏิบัติ โดยมีข้อกำหนดโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นชั้นๆตามโทษโทษสานุโทษโทษเล็กโทษใหญ่นะพระวินัยปิฎกก็มี 21,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยนี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะสร้างสรรให้รูปร่างงดงามในที่ที่เขาว่างกันนะจริงๆวินยัยวินัยยาเนี่ยเขาแปลว่านำมาซึ่งวิเศษก็ได้นะ นามาซึ่งวิเศษก็คือ 21,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจำแนกเป็น5ค้าภีร์อาทิกรรมะคำพีอาทิกรรมคำภีร์ปจิตตียะคำภีร์มหาวัคคำภีรจุลวัคและก็คมภีร์ปริวารันเนี่ยเวลาเพื่อสะดวกในการจดจํเขาก็เลยบอกว่าอาปามาจุปะก็เลยเป็นคาถาเป็นหัวใจของพระวินัยอันนั้นในรายละเอียดเราจะไม่เข้าไปแล้ว ต่อมาก็พระสุตตันตปิฎกเนาะสุตตันตะทำใดที่แสดงไว้โดยบุคคลยกบุคคลขึ้นแสดงทั้งในทางที่ชอบในในทางที่มุ่งหมายถึงจะให้เวเน ย, ยชนได้ตัสรู้ตามสมมติสัจจะหรือวหาลสัจจะก็เรียกว่าพระสุตันตปิฎกมี 21,000 พระธรรมขันธ พระสูตรนี่เป็นพื้นฐานที่จะสร้างสารรค์ให้อัตยาศัยสงบมีจิตให้แน่วแน่ท่านจัด ก, ก็เป็นในสมาธิสิกขาส่วนวินัยก็เป็นเสลสิกขานพ 21, ระสูตรสอ0 0มื่นพันมขันธ์จำแนกเป็น5นิการทีขนันิกายมชิมนิการสังยุตตานิกายอังคุตตะรนิกายแล้วก็กขุดทกษานิกายนิกาย5นี้แหละแล้วก็ถ้าเป็นท่องก็คือทีมสังอังคุทีนี้เอาต่อไปก็อภิธรรมธรรมใดที่แสดงไว้เป็นส่วน เป็นปรมัตสัจจะตามความเป็นจริงก็ว่าปรมัตในที่นั้นก็แปลว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงก็คือโดยสภาวะธรรมเป็นการแสดงธรรมารุนๆเลยมีมาก4 2 0 0มื่นรองพันปฐมครถามว่าเมื่อศึกษาแล้วอยากจะเพิ่มเติมอะไรทำให้สติสัมปชัญญะมีกำลังแก่กามากยิ่งขึ้น แล้วเวลาโบราณอาจารย์เขาก็บอกว่าให้ท่องเป็นคาถาเป็นหัวใจเข้าไว้บอกว่าสังวิทาปุกยปะสรุปก็คือว่าก็มีทคำคัมภี์แรกก็คือทำมาังคณีว่าโดยปวดปดปรมัต ธ, ธรรมแล้วก็คำภีที่สองก็วิพัง์ก็จําแนกปรมัต ธ, ธรรมวิพังค่าไปว่าจําแนกคมภี์ที่สาก็ธาตุคาถาธาตุแห่งการปรมัต ธ, ธรรมแล้วก็ปุกขลาบัญญัติก็ว่าโดยบุคคลเนีที่จริงพระพิธรรมก็มีว่าโดยบุคคลเลยนะแล้วก็ว่าโดย บัญญัติโดยบุคคลโดยธรรมะแล้วก็คถาวัตถุนันเป็นเรื่องการถามตอบแล้วก็ยะมกกาธรรมะที่แสดงเป็นคู่คู่คำพิสุดท้ายก็เป็นแสดงว่าคำพิประฐานนะยมกแล้วก็ประฐานอะไรๆขึ้นไปนี่คำพิหมาประฐานในพระวิธรรมเนี่ยอาพิธรรมะเขาแปลว่าธรรมอันประเสริฐอย่างยิ่งในที่นี้นะ เป็นธรรมที่มีอยู่จริงคำว่าธรรมมีอยู่จริงก็เนี่ยจิตเจตสิกโรปนิพานเนี่ยใช่ไหมถ้าพูดโดยขันห้าก็มีอยู่จริงนะจิตก็คือเป็นวิญญาณขันเจตสิกก็ได้อีก3าขันเวทนาขันสัญญาขันสงสารขันโรบก็เป็นรูปขันนิพานเป็นขันทวีมุตพลจากขันไปนี่เป็นธรรมที่มีอยู่จริงกว่างั้นส่วนคําว่าในอภิธรรมปิดกเจคัมภีร์มีอัฏฐะอัฏฐะก็แปลว่าเนื้อความ หรือเป็นหัวข้อจิตเจสิกรูปนิพานและยังมีบัญญัติเลยนะบัญญัติเลยจึงโดยย่อข่าวาก็แปลรวบรวมจริงๆเรามาเรียนเนี่ยเขาเรียนว่าเรียนโดยย่อเนีเราไม่เรียนโดยพิสดารนะขาหาแปลรวบรวมเมื่อประมวลความหมายของธรรมะเหล่านี้รวมกันเบียเสร็จก็คือก็หมายความว่ามีเนื้อความที่แสดงถึงในเรื่องของจิตบ้างเจตสิกบ้างรูปบ้างนิพานบ้างแล้วก็บัญญัติ ที่โป่งแสดงไว้ในพระพิธรรม7็คำพีนี่นะทีนี้ในพระพิธรรมเนี่ยถ้าถามว่าที่เรามาเรียนกันทุกวันเป็นหลักสูตรในการศึกษาเนี่ยเป็นผลงานของใครพานนรุต ธ, ธาจาร์เป็นพระเทราะองค์หนึ่งเป็นชาวเมืองกาวินกันจิอยู่ในแคว้นมัทลาศทางภาคใต้ของประเทศอินเดียนยท่านได้ไปศึกษาพระพิธรรมที่อนุราชบุรีอนุราชปุระ ก็ที่ประเทศศรีลังกายุคหลังแล้วก็จนมีนามว่าอุโคสาเขาแปผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แตกฉานในพิธรรมมากในสำนักวตัตุมูรโศมารามเนี่ยนำพระอุบาสกผู้เป็นทายกก็ได้อาราธนาขอให้รวบรวมอิธธรรมปิดกขึ้นซึ่งเป็นกมีที่ละเอียดอ่องลึกซึ้งมาก แล้วก็เพื่อจะได้ง่ายต่อการในการศึกษาและง่ายต่อการจดจำท่านก็เลยรวบรว ม, มเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาศึกษานั่นแหละท่านก็เลยรวบรวมถามว่าท่านอาศัยอะไรในการที่จะรวบรวมคำพิภัณฑ์ท่างหลายท่านก็อาศัยเนี่ยอัจฉริถาดีกาดุจดีก า, กาเป็นหลักในการรวบรวมแล้วก็รจนาขึ้นมีชื่อว่าอะไรอภิธรมรมมตสังกหะอภิธรมรม ทัศสังขารอันนี้เป็นการรวบรวมโดยย่อบางทีเขาเรียกว่าอัตกถานิ้วก้อยก็ว่ากันนคือมันเยอะแยมเป็เสิร์ตแก็มารวบ ร, รวมให้เหลือ น, น้อยแล้วก็ไปแยกเป็นคู่มือการจดจําและการศึกษาเป็นหัวใจเลยเนี่ยท่านเกิดราวๆพุทธศักราช900หลังทัปปริณิพานนี่นะผู้รจนาพิธารรมตสังขาเนี่ยท่านได้รับการยกย่องมากก็เลยเป็นชั้นพระเถระชั้นคันธารจน า, าจารย์ ตรงนี้ท่านก็มาขยายกันแต่เนี้ยนะนความเข้าใจเขาบอกเราขยายกันว่าบาลีหมายถึงพุทธพจน์ถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเทศนาโดยตรงส่วนอัตถกถ า, าเนี่ยแปลตามศาสร์ว่าเนื้อความนี่ยเนีกล่าวถึงเนื้อความอัตถอัตถาก็เนื้อความกถาก็เป็นการถ้อยคํารีอจะบอกว่าเป็นการขยายก็ได้กล่าวแก้เนื้อความในพระบาลีไม่ได้หมายความว่าเนื้อความในพระบาลีนะผิดที่ยิงขยายตรงนี้อย่างที่ได้บอกไว้ แต่โดยหลักจริงๆเนี่ยอัตกถาก็อัตรกระถาจา์ก็ต้องแยกกันๆๆนีนะสมัยก่อนจริงๆมันจะมีคำว่าอุเทศหมายถึงว่าตัวบทตั้งพุทธพจน์บทตั้งนิเทศก็คือขยายแล้วก็ปฏินิเทศก็สรุปฉะนั้นพอบูมอมดูถึงอัตกถาก็คือการขยายความเนี่ยกระถาที่กล่าวขยายความ คำสอนพุทธิจ้าแท้จริงเ่ยผู้ที่ขยายจริงๆพุทธิย่าท่านขยายไว้เองอัจฉริยทั้งหลายท่านเลยมีหน้าที่ไปขยายไปอธิบายเลยเพิ่มเติมแล้วคำของพุทธิย่าเนี่ยแหละกล่าวไปกล่าวมาเนี่ยยังว่าอะไรเราไปแยกกันแยกแยกไปแยกมามังเลยเป็นสับสนพวกเรานั้นไม่ต้องไปเข้าไปในรายละเอียดตรงนี้ก็คือเพื่อจะขยายความให้ชัดขึ้นละเอียดขึ้นแท้จริงก็คําสอนพุทธิจ่าเนี่ยแหละมาขยายให้สอดคล้องตามพุทธพจน์ ตามคำสอนจากพระบาลีนั้นส่วนดีกาก็เป็นการกล่าวแก้อาตัคขาอีกชั้นหนึ่งอาตัคทะก็เป็นอีกสมัยหนึ่งชั้นดีกาก็อีกก็มาขยายบางทีศัพท์บางศัพท์ภาษาบางภาษามันอาจเก่าไปแล้วคนในยุคหลังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็เลยมามีดีกามาแก้แล้วก็ยังมีอนุดีกาเข้ามาอีกนะนะก็เป็นเนี่ยลักษณะนี้ก็มาแก่ดีกาอีกทั้งนี้ส่วน หลักสูตรที่เราเอามาเรียนกันในทุกวันเนี่ยเราไม่เรียนเฉพาะของพระอนุรุทธาอาจารย์แล้วมั่วกันหมดแล้วบางทีเอามาขยายเนี่ยมีทั้งของอัตกระมีทั้งบาลีมีทั้งอัตกถามีทั้งดีกาอนุ่ดีกาเลยเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วกลายเป็นหลักสูตรเป็นคู่มือกันเลยอธิบายเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจง่ายๆไปเลยว่างั้นเถอะไม่ต้องไป บางทีไม่ได้บอกเลยสบอยนี่ตัวบาลีนะนี่ตัวอัตถกาานะนี่เัว ด, ดีการนุตดีการนี่ไม่ได้บอกแล้วบอกขยายมันเข้าใจไปเลยว่าการอาศัยเรียนแบบรวมๆๆๆกันมาก็พูดไม่เข้าใจในยุคนี้ไปเลยไอ้ตรงนั้นก็แต่ถ้าใครอยากไปศึกษาในรายละเอียดก็ไปเจาะเขาว่าไปพระพิธรรมก็กล่าวถึงสองประการปรมัตถธรรมกับป ร, ปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรมนะประมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีเนื้อความ ที่ไม่วิปริตผิดเพี้ยนไม่เปลี่ยนแปลงก็คือของมีอยู่แล้วนะจิตเนี้ยลักษณะเป็นยังไงเจดสิกรูปเรนิพานเะนี่ยลักษณะรักษาปัจจุบันพระธาตฐานเป็นยังไงบอกส่วนบัญญัตนะินั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงเนะีเป็นเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นสมมุติขึ้นเพื่อให้ชาวโลกและอย่างเราๆทั้งหลายได้เกิดความรู้เกดิดความเข้าใจเนี่ยนะี่นี่เป็นอย่างนั้นปรมาถ ธ, ธรรมนะั้นนะ่ะย่อมต้องมีสภาวะสองอย่างไอ้สองอย่างนี่จำไว้นะ 1. สภาสามัญญลักษณะสองวิเศษลักษณะเนี่ยลักษณะเนี่ยที่จริงในจิตเจริกรูปเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีสภาเขาจะมีลักษณะสองประการส่วนสามัญญะเนี่ยหมายถึงอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาของรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตเจริกรูปใช่ก็มีทั้งความไม่เที่ยง เป็นทุกข <g uk yi> ์แล้วเป็นอนัตตาซึ่งนิพพานไม่เกี่ยวนะนิพพานก็มีลักษณะที่เที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็วิเศสลักษณะเนี่ยที่เราจะต้องไปเรียนรู้เนี่ยลักษณะเฉพาะตัวเช่นลักษณะของจิตเป็นยังไงจิตหน้าที่ของจิตเป็นยังไงอาการปรากฏของจิตเป็นยังไงเหตุใกล้ของจิตเป็นยังไงเนี่ยก็ลักษณะเฉพาะตัวตรงเนี้ยทีนี้สามัญลักษณะเนี่ยลักษณะที่เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของเขาคืออนิจจ ลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงไม่มั่นคงนี่นะทุกลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นอนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนใดๆเลยองี้เนี่เออก็แยกตรงนั้นให้ชัดส่วนพระนิพพานก็มีสามัญลักษณะของเขาเหมือนกันนะมีสามัญญลักษณะเนี่ก็คืออนัตตลักษณะส่วนบัญญัติเนี่ย ไม่มีลักษณะของไตรลักษณ์อยู่เลยทำไมถึงไม่มีเพราะไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริ ง, <laughs> อรงของไม่มีอยู่จริงมันจะไปแสดงลักษณะของเขาได้อย่างไรเป็นต้นส่วนวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษประจำตัวลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยของป ร, ปรมัตธรรมนะนะไม่เหมือนกันผ <laughs> ิดแพกแตกต่างกัอนออกไปเนี่ยก็มีทั้งลักษณะรักษาปัจจุบันและกับธาตฐาน ลักษณะนั้นคือคุณภาพหรือเครื่องแสดงหรือสภาพโดยเฉพาะที่มีอยู่พยายามตัวของสภาวธรรมนั้นนั้นเช่นสัญญามีลักษณะเห็นการจำเนี่ยนะมีความจําได้หมายรู้เป็นลักษณะกี่เป็นต้นส่วนราษฎเนี่ยศัพท์นี้ก็แปลว่ากิจหมายถึงงานหมายถึงหน้าที่ที่ทำนั้นนั้นพึงกระทําตามลักษณะของตนเขามีหน้าที่นี่เป็นราษฎ แบ่งเป็นสองอย่างนะเป็นกิจรักษณะกับสัมปติรักษณกิจลักษณะก็เช่นความร้อนของไฟมีหน้าที่ทําให้สิ่งของต่างๆสุกสัมปติรสก็เช่นแสงของไฟมีหน้าที่ทําการงานทําให้สว่างนก็มีทั้งกิจจรักษณะและสัมปติรสไอ้คำว่ากิจจรักษณะก็คือกิจและหน้าที่ของเขาอย่างที่เขายกตัวอย่างเรื่องไฟเนี่ยทำให้สุกเนี่ยนะถ้าสัมปติรสก็คืออี ไฟเหมือนกันที่ทําให้สว่างเนี่ยรถของเขาคุณสมบัติของเขาอ่ะคุณสมบัติของเขาคือสว่างใช่ไหมคุณสมบัติของไฟอ่ะทำให้สว่างสว่างแต่ว่าหน้าที่ของเขาทําให้สุขทําให้สุขทําให้ร้อนนั่นใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเข้าถึงความ ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ไปแยกสภาวะธรรมทั้งหลายเวลาเราไปเรียนลักษณะรัก ษ, กษปาปุญญาภารพิทาฐานนะเนี่ยกิจเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปแยกเป็นสองอย่างก็ค่อยดูแต่ละตัวไปละเอียดตรงเนี้ยอาจจะเห็นยากนิดนึงตรงนี้แปลว่าคําว่าสว่างเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสถานะใช่ไหมแต่ว่าคําว่าสุขเนี่ยคือมันเปลี่ยนสถานอ๋ออันนั้นเขาทาหน้าที่ของเขาคือคือยกตัวอย่างเช่นในตัวกิจเนี่ยเขาทําหน้าที่ว่าจากความร้อนขึ้นเนี่ย เขาก็ททำให้ในท่สุดจริงทำให้วัตถุสิ่งของนั้นมันสุก ข, ขึ้นมาใช่ไหมมีตัวอย่างเบืองต้น เ, อ, เ อ, อ่อคือเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปเรียนลัคนาจตุกะค่อยไปดูรายละเอียดนะไปดูแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะแยก สามั ญ, ญลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมเช่นลักษณะเฉพาะตัวของจิตของเจตสิกของรูปก็คือลักษณะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยเอขอขออภัยสามั ญ, ญลักษณะนี่คือลักษณะที่มันเป็นมันเป็นจริงนะลักษณะที่มันมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเช่นความไม่เที่ยงของรูปรขันเวทน า, าขันสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขัน ความไม่เที่ยงของจิตยเยรเสกรูปเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกลักษเป็นอนิจจตาภาวะที่ไม่เที่ยงภาวะที่มีแล้วกลับไม่มีเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาส่วนทุกขาตาหรือทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์นี่สภาพที่บีดบีบคั้นกดดันขัดแยง้งมันมีการบีบคั้นมีการกดดันมีการขัดแย้งมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันจึงต้องเปลี่ยนอันนี้สภาพของทุกข แต่คนเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไปเข้าใจว่าคำว่าทุกเนี่ยเราหมายถึงความทุกข์ใจจริงไหมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้เนี่ยแว่นเนี่ยมันมีทุกข์องมันอยู่ใช่ไหมหรือสรรพสิ่งทั้งหลายมันมีทุกข์มันอยู่โตเก้าอี้หรือสิ่งของที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันมีสภาพของความทุกข์มันอยู่แล้วแต่ แต่เราจะรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพอบอกว่าทุกเนี่ยลักษณะที่บีบกดดันขัดแย้งหรือบีบคั้นเนี่ยเราไปเข้าใจว่าเป็นความทุกข์ใจจริงฮะไอความทุกข์ทกใจน่มันก็มีทั้งอนิจจตามีทั้งทุกขตาทุกข์แล้วก็มีอนัตตาเป็นต้นเหรอเนี้ยมันฉะนั้นไอความทุกข์ใจของเรากับความที่เป็นทุกข์ตามสามัญลักษณะยังลอย่าง แท้ท <sensor salvation> ี่จริงความทุกข์ใจก็เป็นหนึ่งในสามัญลักษณะเป็นทั้งอณิจจตาเป็นทั้งโทกตาเป็นทั้งอนัตตาเข้าใจไหมเหมือนเราเราเห็นคนเดินมาแล้วเนี่ยหรือเราเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราเห็นปั๊บเนี่ยเราสุขใจเราทุกข์ใจได้สิ่งเหล่านั้นมันก็มีไตรลักษของมันอยู่แล้วสิ่งที่เราไปเห็นแม้ความสุขใจของเราก็เป็นมีไตรลักณอยู่ในนั้นด้วยความทุกข์ใจก็เป็นไตรลักษอยู่ในนั้นด้วย คือสภาพของเวทนาถามไอตัวเวทนาขันคือทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาหรือทรมนัสเวทนาเนี่ยเออทุกขเวทนาหรือทรมนัสเวทนาเนี่ยมันเป็นอนิจจังไหมตัวเวทนาตัวนั้นเอง <ed> เป็นเป็นทุกไหมเห็นไหมแล้วเป็นอนัตตาไหมแล้วสุขเวทนาล่ะเป็นอนิจจังไหมเป็นทุกขันไหมเออเป็นอนัตตาโอเคเข้าใจถ้าอย่างงี้ ก็แสดงให้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสุขใจหรือทุกข์ใจท่านกระจัดเป็นทุกข์หมดแหละถ้าพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์นั่นคือไตรลักษณ์ก็คืออ น, นิจจังทุกขังนาตาคือธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยมันก็ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ยกเวน้นนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นนิจจังเป็นมันเที่ยงเป็นสุขขังไม่ใช่ทุกข์เป็นสุขเป็นสภาวะที่เป็นบรมสุขแต่เป็นอะไรอนาตา ส่วนวิเศษลักษณะนี่คือลักษณะเฉพาะตัวยกเวทนาขึ้นมายกจิตขึ้นมายกรู ป, ปรขันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแม้พระนิพพานก็มีลักษณะเฉพาะตัวก็คือสันติลักษณะนี่เปนต้นเดี๋ยวไปดูลายละเอียดเนี่ยนี่ก็มีลักษณะแล้วก็มีกิจกิจที่เขามาแยกเป็นกิจจระศาหรือสัมปติระศาเดี๋ยวเขาไปดูรายละเอียดแล้วก็ปัจจุบัฐานผลผลของอะไร คือเมื่อเขาทํากิจแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นอของสภาวธรรมนั้นๆเช่นตัวเวทนาเนี่ยเวลาทํากิจในการเสวยรดของอารมณ์แล้วเนี่ยนะผลปรากฏก็คือเขาก็ได้รับสุขหรือทุกข์ในสภาพที่เกิดขึ้นอย่างนี้ส่วนปัจจัยฐานหมายถึงเหตุใกล้ที่ทําให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้โอ้โหต้องไปดูรายละเอียดเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มีฮีริโอตาปากเนี่ยความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้เงี้เป็นต้นเงียนะยังเงี้ยแล้วเนี่ ย, ย, ยต่อไปต้องไปศึกษาตรงเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเอาพวกไอ้วิเศษลักษณะเนี่ยลักษณะเฉพาะตัวของเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงวิตกเป็นยงไงทุกตัวถ้าศึกษาได้ทั้งหมดก็จะมีความเข้าใจชัดขึ้นโอเคผ่านใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรเนี่ยอ้าว กิจเจตสิกและรูปมีวิเศษลักษณะเขาเรียกลักษณะเจตุการสีประการนิพพานก็มีลักษณะที่เจตุการหรือวิเศษลักษณะเพียงสามคือไม่มีประทานก <c oughs> อเหตุให้เกิด น, นิพพานไม่มีเพราะนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุปัจจัยเนาะพ้นจากบัญญัติไม่มีวิเศษลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดอันนี้สังเกตดูนะว่ามาร์กเนี่ย ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเหตุทำให้นิพานเกิดมาร์กนี่เป็นสัมปาปะเหตุเป็นเหตุคือเป็นทางดำเนินเพื่อให้ถึงซึ่งผิดกับเออซึ่งผิดกับสมุทัยสัจจะเขาเป็นเหตุที่ก่อทุกข์ขึ้นมาได้จริงๆด้วยเป็นเหตุของทุกข์สร้างทุกข์เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกข์เลยนั่นแหละนั่นเป็นเหตุของทุกข์แต่ว่าตัวมาร์กเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุทาให้นิพานเกิดขึ้น พระนิพพานมีอยู่แล้วแต่มรรคมีเป็นทางดําเนินเพื่อให้บรรดาประชาศาสตร์ทั้งหลายประกอบมรรคให้เกิดขึ้นเมื่อประกอบมรรคให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยประหารกิเลสแล้วก็เข้าถึงวานิพานธได้นิพพานแปลว่ามีอยู่แล้วเป็นปรมัตถธรรมเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่แต่มีอยู่อย่างโลกไม่มีเท่านั้นเองรายละเอียดต้องไปว่ายทีเอาอภิธรรมอัตสังขหาพระนุโรธาจารย์ได้รจนาขึ้นมาพอเป็นเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นบทร้อยแก้ว ร้อยแก้วท่านแบ่งไว้เป็นเก้าปริเชตเนาะปริเชตที่หนึ่งก็เป็นจิตตสังหาวิภาคมีภาค้ากับไปการรวบรวมนั่นแหละสแสดงจิตปรามาตัตต์ปริเชตที่สองก็เจตสิกสังหาวิภาคการรวบรวมเจตสิกปรามาตัตต์ก็มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันไปปริเชตที่สนี่เป็นปกกิญกาสังหาวิภาคก็คือแสดงธรรมะหหมวดเวทนาเหตุกิธวานอารมณ์และวัตถุ โอ้โหต่อไปเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของส่งข้อจิตเจีสิกโดยเวทนาโดยเหตุโดยทวารโดยอารมณ์โดยวัตถุเนี่ยนะอันนี้เรียนแล้วสนุกปริเชษสามแลปฏิเชศสีเนี่ยวิถีสังขาวิภาคก็คือเรียนเรื่องวิถีจิตเริ่มตั้งแต่จักขุทวารลวิถีวิถีทางตาเป็นยังไงวิถีทางหูเป็นยังไงเนี่ยวิถีทางจมูกทางลิ้นทางกายวิถีทางใจที่เป็นมโนทวารและวิถี ก็แยกปัญจากทวารวิถีกับมโนทวารุวิถีหูแยกกันละเอียดยิบเลยต่อไปเราจะรู้โอ้โหกระบวนการเกิดขึ้นของจิตเลยเีเยนีย้น่าศึกษาไหมล่ะอันประการต่อไปก็คือปริเฉตที่5้าก็เป็นวิถีมุตตะสังหาวิภาคก็คือแสดงจิตที่พ้นจากวิถีและธรรมที่เนื่อง ก, ก, กันกับจิตที่พ้นจากวิถีตรงนี้วิถีมุตตะสังขารนี่เป็นวิถีอย่างเช่น แสดงเกี่ยวในเรื่องของวิธีตายเงี้ยนะวิธีมุตตาสังขารเนี่ยไอ ต, ย <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นที่จริงเขาเรียนหลายเรื่องนะเขาจะมีพวกภูมิมจตุกะนะแล้วก็มรนุปปฏิจตุกะเรียนเกี่ยวเรื่องความตายเนี่ยภูมิก็เรียนเรื่องภูมิมรนุปปฏิจตุกะก็เรียนเรื่องความตายปฏิสนธิจตุกะเรียนเรื่องการปฏิสนธิ ปฏิสนธิเนี่ยจิตที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิแต่ละอย่างก็เป็นวิถีมุตตสังขาจิตที่ทําหน้าที่ตายก็เป็นวิถีมุตตะสังขาก็คือพ้นจากวิถีในขณะทําหน้าที่เกิดทําหน้าที่ตายก็แปลว่าพ้นถ้าทําหน้าที่ผวางเนี่ยเขาแปบลบว่าตัวเขาเป็นตัวมโนทวารนะงั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียด ตอนเรียนไปถึงตรงนั้นแต่แรกๆ ก, ก็เริ่มจะเข้าไปรูป้ต่อไปก็รูปสังหวิภาคก็คือแสดงรูปปรามาตและแสดงปณิพานสรุปก็คือที่เราจะเรียนชั้นต้นๆก็เราก็เรียนจิตเจตสิกรูปนิพานนี่แหละในปริเชตที่หนึ่งกับปริเชตที่สองแล้วก็ปริเชตที่หกเขาเรียนก่อนเลยบริเชตที่เจนี่สมุตจียาสังหวิพาคก็คือแสดงธรรมะที่สงเค้อเข้าเป็นหมวดเดียวกันพวกนี้ก็เรียนเกี่ยวในเรื่องของนี่แหละตั้งแต่อะไร สมุจียสังขาะก็เรียนตั้งแต่ อ, อากุศลสังขาระไว้เลยเนยีแล้วก็ต่อไปไปเรียนโพธิปักขียสังขาะเนี่ยแล้วก็สภาสังขาะก็เรียนพวกสภาวธรน์ล้วนๆนะต่อไปเราจะเข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นส่วนปริเขตที่แปนี่เรียนปัจจัยและปัจจยาสังเวยวิภาคสแสดงธรรมะที่มีอุปการะแก่กันและกันแล้วก็สแสดงบัญญัติธรรมด้วยนะปริเขตที่เ้านี่เรียนเรื่องกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทําเป็นที่ตั้งการงานเนี่ย ลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียนทั้งหมด9ก้าปริเชษที่จริงก็คือต้องเรียนพวกคมภีรนประกอบด้วยอ่าต่อไปอ่าเดีนี้เอาแล้วเดียนี้เข้าเรื่องที่เราท่องกันแล้วในที่นี้ก็จะมีที่เราศึกษากันเกี่ยวในเรื่องของนะอะโกศลแลจิตสิที่จริงก็คือจิตแปดสินะีหรือร้อยี่สบเอ็ดนี่ยนี่เขาไม่ได้ ขยายพิสธดธานไว้เอาแบบยอ่อก็คือโลกย่าจิต81ดสิอกับโลกุตรจิต8หรือ40ต้องอย่างนั้นถึงจะถึงจะชัดแล้วก็ตรงนี้ในแผนผังตรงนี้เราก็คงจะเข้าใจไม่ยากแล้วกามาวาจระจิตกามาวาจรจิตกับมหาคตาจิตแม้แยกกันชัดเจนอกุศลจิตเป็นยังไงอเิยทุกขจิตยังไงกามาวจระโสภระจิต24รวมเป็นกามากามาวาจระจิต5้าส่มหาคตาจิตยีิบเกับรูปา15บาอรูปาสินะ ส่นโลกุตระจิตก็มีพวกมกรคจิตพลจิตนี่อ้าวผ่านผ่านไปแผนผังนี่ก็ทีนี้ต่อไปแผนผังที่เป็นการแสดงจำแนกจิตพวกเราท่องกันได้แล้วใช่ไหมอาโอเคทีนี้ไปดูในเรื่องของจิตสังขาวิภาคอาดูคาถาลองท่องคาถาี มัทธามัทธาสังฆานั่นตอกมัทธาอันนี้เป็นคาถาแสดงเขาเรียกปันามะคาถาปันามะเขาแปลว่าการนอบน้อมแต่ปนามาภาษาไทยมันด่ากันปนามะเนี่ยเป็นคาถาเองครัการนอบน้อมเนี่นี่เดี๋ยวก็จะขยายความนะเอ่อ ข้าพระพุทธเจ้าพานุรุ ธ, ธาจารย์ตรงเนี้ยทุกคนจะต้องท่องคาถานี้ได้ถ้าเราท่องเราก็ใส่ใส่ชื่อเราลงไปนะตรงเนี้ยนะเวลาเราจะท่องคาถานี้เราก็ท่องท่องเลยแล้วเวลาเราจะกล่าวเนื้อความทั้งหลายเหล่านี้เราก็ใส่ชื่อเราไปสมมตินะ สัมมาสัมพุท ธ, ธมารตุลางศาสนธรรมะขนุตตะมังอภิวาทยะภาสิทธังอภิธรรมาตสังคะหังเนี่ยถ้าใครจะแต่งประกรณ์ทั้งหลายเขาก็จะเอาคถาเนี่ของพานุรุท ธ, ธาจานี่แหละในการไปกล่าวเนาะในการที่ไปขยายข้าพระเจ้าซึ่งหมายถึงพานุรุท ธ, ธาจา์ขอนอบน้อมถวายพิวัตนนาอภิวรรตนาการแด่ใครแด่พระองค์ผู้ตัศรุยยยธรรม ทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัตธรรมและคณะพระรยาสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจักแต่งคำพีที่มีนามว่าพิธรรมัทสังฆาตต่อไปใช่ไหมตัถาวุตตาพิธรมัทถาเจตุธาปรมัตโตนี้ก็คือจิตตังเจตสิกังโรปังนิพานมิติสัพปทาเนื้อความอย่างพระพิธรรมก็มีตัดไว้สีประการก็คือจิตเจติกรูปนิพานจิตคืออะไรก็ว่าตามดับเดียวที่จริงนี่เขาไม่ได้ขยายเลยเนี่ย เขาไม่ได้ขยายคาถาใช่ไหมแตัว่าคาถาเนะี่ยต้องขยายล อ, ลองลไล่ไล่ไล่ไปหน่อยที่มีขยายคําอธิบายอ๋อยังไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดียวยันขยายคาถานิดหนึ่งเดี๋ยวจะจะไม่สมบูรณ์เนาะคาถานนี้เป็นอย่างนี้จะมีคําว่าต้องตัดบทดูนะในคําประนามเนี่ยก็คือการกล่าวคํานอบน้อมต่อพระรัธนตรยัย อันนั้นเป็นคำเป็นการปฏิญญานีปฏิญญาคําปฏิญญาเนี่ยคือความตั้งใจความที่มีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจในการที่จะแต่งคัมภีร์นั้นให้สําเร็จเพราะมีผู้รัตนาท่านพอรัตนาเบเสร็จพวกท่านก็เขียนคาถานอบน้อมพระรัตนาตรัยเลยสัมมาสัมพุทธมัสตุลางสัตร ม, ม, มัคเนตมังอภิวาทิยะพาสิสังอภิธรรมอัตสังกังเนี่ยนะท่านบอกขอนอบน้อมถวายพิวาติแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรุเยยาธรรม โอ้โหต้องไปขยายเยอะเลยแต่เนี้ยนั่นเป็นปานามาคถาเป็นคถาที่กล่าวคํานอบน้อมก็คือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่จะแต่งประกรณ์ก็จะต้องนอบน้อมพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุคคลใดจะกล่าวพระธรรมก็จะต้องมีการนอบน้อมพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุคคลใดจะเรียนกคมพีหรือศึกษาอะไรก็แล้วแต่จะต้องกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นอะไรเป็นอริยะประเพณีด้วยเป็นประเพณีของพุทธเจ้าด้วย แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรกระทําอย่างยิ่งไหมการนอบน้อมเนี่ยทุกวันนี้เรามานอบน้อมโดยการตั้งน้มโมตสาพระควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านจะไปแต่งคัมภีร์จะกล่าวหรือจะเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องนอบน้อมทีนี้พระรุท ธ, ธาจารย์เนี่ยท่านกล่าวนอบน้อมเพื่อมีท่านบอกตามธรรมดาเนี่ยบุคคลที่จะเริ่มแต่งคำพีเนี่ยแต่งประการจำเป็นจะต้องกล่าวคํานอบน้อมพระรัตนตรยัย ทำไมต้องกล่าวเพราะว่าเมื่อกล่าวนอบน้อมพระรัตนตรัยแล้วจะมีประโยชน์อย่างมากแต่พิเศษกว่า น, นั้นก็คือท่านพนุรัตาจารย์มีความประสงค์ที่จะอาศัยคุณอนุภาพต้องการอาศัยอนุภาพแห่งคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยมาปกป้องคุ้มครองกระแสะชืดของท่านเพื่อให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายเพราะในขณะที่จะแต่งคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้ มันเป็นงานหนักเป็นงานใหญ่เป็นงานวางรากฐานวาศาสนาพวกมานทั้งหลายเหล่านี้นะคือกิเลสมานมานคือกิเลสขันธมานมานคือขันธ์ห้ามัจจุมานมานคือความตายขันธ์ห้าที่จะแตกต่างคือความตายเนี่ยแล้วก็อภิสังขารละมานมานคือเจตนากรรมที่จะนำไปสู่วัฏฏะเดี๋ยวจะไปตั้งเจตนาผิด ใช่ไหมตั้งเจตนาจะแต่งกัมพีเพื่ออยากดังอยากโก้เก๋อยากให้คนยอมรับนับถือมันเป็นกิเลสไปเลยนะไอ้เจตนากรรมที่ทําอย่างนี้มันจะนําไปสู่วัฏฏะที่เจ็บปวดในสังสารวัฏและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อจะป้องกันมัจจุมานเอบขอภัยเทพบุดรมาลมาลคือกลุ่มเทพบุตรหรือมนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้ที่คิดไม่ดีมีร้ายต่อพระศ า, าสนาไม่อยากให้การวงการพระศ า, าสนาจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยบุคคลเหล่านี้มาขัดขวาง สรุปแล้วก็คือพวกเราจะทําความดีทั้งหลายมันจะมีมารทั้งภายในและภายนอกกิเลสมารเป็นมารภายในหรือภายนอกภายในใช่ไหมราคาโทรศัพท์มหาวันขัดขวางได้ไหมเวลาเราจะทําความดีจะแต่งคัมภีจะจะค้นคว้าทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราเจอกันทุกวันไหมเจอไม่เจอเราเจอมารเหล่านี้เล่นงานไหมแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้นอบน้อมพระราชนตรยัยถ้าเรานอบน้อมพระราตนตรยัยมันจะป้องกันได้จริงๆ ว่าเราจะไม่ให้กิเลสเหล่านี้มากุ้มรุมเด็ดขาดเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือขันธมานขัดขวางไหมปวดนั้นเจ็บนั้นทรมานนั่นนั่งไม่ได้อะไรโอ้สารพัดหมดเลยงกง่ว ง, วงวหหอยู่ไม่ไหวอ่อนแอร่างกายอ่อนแอทํำตรงนั้นไม่ไหวเนี่ยนั่นรูปขันธมาขัดขวางเวทนาขันทัดขวางสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เนี่ยขัดขวางตลอดเวลาใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าขันธมานแล้วมันตายได้ไหม เดี๋ยวความตายมาเล่นงานอีกเรียบร้อยเลยตดีเนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราศึกษาพระธรรมไปเนี่ยบางครั้งอะไรรู้ไหมเราตั้งเจตนาผิดโอ้โหมีเจตนาชั่วร้ายเป็นระยะระยะหรือเป็นกุศลจริงแต่ไม่ได้ศึกษาเพื่อเพื่อจะถอนตนออกจากวัฏฏทุกต้องระวังนะมารตัวเนี้ย เราคิดว่าจะศึกษาเพื่อเก่งเพื่อฉลาดเพื่อรู้อะไรแค่นี้แหละแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าเราจะเบื้องตนเองออกจากทุกข์เพราะการรู้พระธรรมคำสอนพุทธิ้านี่แหละใช่ไหมแล้วก็เทพุมามนมานตัวไหนหน่ากลัวที่สุด <c oughs> กิเลสมานก็น่ากลัว <c oughs> ใช่ไหมขันธมารก็ขัดขวางมัจจุมารก็รอจะดักตัด ก, กระแสขันธ์เราให้หยุดโหไปแยกแยะดูกันแล้วกันนะ เราโดนกุ้มรุมหมดเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละทำไมพานุรุตอาจารย์จึงนอบน้อมพระัตนาไตรเพื่อต้องการนอบน้อมพระรัตนาไตรเพื่อจะได้ป้องกันอุปสรรคอันตรายทั้งหลายมีกิเลสมารเป็นต้นแต่ในคัมพี์นี้ไม่ได้กล่าวไว้อย่างนั้นแต่เราต้องเข้าใจเองนะต้องเจาะให้ถึงจริงๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกขัดขวางตลอดเวลาเลยจากมาเหล่านั้นแม้พวกเราที่กําลังเรียนมาทำกันอยู่ก็จะถูกมาเหล่านี้กุ้มรุมอยู่ตลอดเวลาขัดขวางตลอดเวลาคอยเบียดเบียนทํำลายเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม เนี่ยตรงเนี้ยเริ่มเห็นนี้ยังแต่เนี้ยเนี่ยเราก็เจอมาทีนี้การกล่าวนอบน้อมพระธนตาตราป้องการมารมานได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสีใช่ไหมฮเราศึกษาพระธรรมเพื่อจะให้รู้ให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้ตรัสรู้ตาอริยสัจสีตามท่าน พระธรรมคือความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเราก็จะศึกษาพระธรรมให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นและท่ามกลางที่ที่สุดของพระธรรมนั่นได้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นความงามในเบื้องต้นศีล ส, สมาธาวิปัสสนาอริยมรรคอริยผลเป็นความงามในท่ามกลางนิพพานเป็นความงามมันสูงสุดเนี่ยเราก็จะเข้าถึงความงามในระดับนั้นได้ แล้วก็นอบน้อมพระพุทธภา ร, ริยสง์สาวกคณะหมัวแอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายท่านฝึกตนเองจะบุรุชนเข้าสู่ความเป็นอริยได้แม้ชั้นใดเราก็จะฝึกตนเองเข้าสู่ความเป็นอริยพอใจเราเกิดความมุ่งมั่นอย่างนี้มีเจตจํานงอย่างนี้มีปัญญารู้และเข้าใจอย่างนี้ตัวปัญญานั่นแหละจะมาชําระเราปัญญาก็ดีศรัทธาก็ดีเจรณาที่เป็นกุศลก็ดีสติก็ดีสมาธิปัญญาทั้งหลายก็จะหมุนอยู่ในกระแสชีวิตเรา เมื่อศีลสมาธิปัญญาหมุนอยู่ในกระแ ส, ะสชีวิตของของของท่านพูดกำลังศึกษาผู้กำลังสอนตอนนั้นกิเลสสมานได้โอกาสไหมกิเลสส ม, ม, ม, มานไม่ได้โอกาสมัจจุมาดไม่ได้โอกาสเทพบุรมานไม่ได้โอกาสและขันธรรมานทั้งหลายและอภิสังขารลมานเจตนาชั่วร้า ย, ท, ายทั้งหลายที่จะมาแทรกไม่ได้โอกาสหมดเลยเนี่ยพลังของพระรันาตนตรัยที่จิตเราเป็นน้อมกระทบกับคุณรพระเจ้าพระรัตนตรัยก็มาคุ้มครองเพราะเราเปิดโอกาสให้พระรันาตนตรัยคุ้มครองกระแสชีวิตของเรางี้เป็นต้นเิ่าเมียนี่ยัง ท่านไปฝึกกันเองนะแบบนี้นะหลายคนฝึกไม่ได้นะกรณีแบบเนี้ยถ้าใจไม่มุ่งมั่นไม่นอบน้อมไม่ไม่แข็งแรงจริงๆการการบูชาพระพุทธเจ้าก็จไม่จะไม่ชัดงั้นอย่างนี้ต้องชัดเจนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอบเข้าไม่ได้โดยเฮ้ยเฮ้ยนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบุญนาป้องกันอันตรายได้ไงว่างเนี่ยนะจะป้องกันอันตรายได้ไงครับเนี่ยเราบอกว่าได้สิเพราะอะไรเพราะเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาศรัทธาปัญญาไง ที่เข้าไปถึงเข้าไปนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่จริงนอบน้อมพระสัพพัญญุตยานนาวรณนายนเป็นต้นเหล่านี้การนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระเรียสงศรัทธาที่ไปกระทบพระรัตนตรยัยปัญญาที่ไปกระทบคุณของพระรัตนตรัยเห็นคุณของพระรัตนตรัยเจตนาที่ไปกระทบคุณของพระรัตนตรัยมีพลังอย่างมหาศาลย้อนกลับมารักษากระแสขันของท่านผู้นั้นทั้งศรัทธาทั้งเจตนาทั้งปัญญาทั้งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดติดต่อและต่อเนื่องนั่นแหละ สามารถกำจัดกิเลสให้กิเลแสแทรกเข้าในใจได้แปลว่านั่นแหละป้องกันอันตรายคือกิเลสได้แล้วและในขณะเดียวกันเมื่อกุศลเป็นไปอยู่อย่างนั้นปารบคุณของพระธาตุนาตรายอย่างนั้นกระแสชีวิตของท่านบนนั้นใช่ไหมจิตใจเหมือนอะไรจิตใจนั้นเหมือนพระบรมสารีริกธาตุกระแส ร, รูปขันเหมือนเจดีย์ทององค์ใหญ่โห้ยขนาดนั้นเลยบาปอากุศลทั้งหลายไม่มีโอกาสแล้วมารก็ไม่เข้าแทรกได้ทั้งกิเลสมารก็ไม่แทรก เทปุธมานก็ไม่กล้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะปรารภคุณของพระรัตนตรัยอยู่มัจจุมาหรือความตายก็ไม่ตัดกระแสะชีวิตในขณะนั้นขันธมานมานันคือเป็นเจขันก็จะไม่ผุพังไปแน่นอนเพราะกุศลรักษากระแสะเป็นอุปถัมภกกรรมทําให้กระแสะขันมีชีวิตยืนยาวเป็นต้นด้วยแม้เจตนากรรมก็ไม่นําไปวิบลิตผิดเพี้ยนก็จะนำมุ่งตรงต่ออนุปาทานนิพพานอย่างแน่นอนเนี่ยให้เข้าใจแบบนี้นะเห็นไหมเออถ้าศึกษาอย่างงี้ใจมันจะมีพลังมากเลย เร่มเห็นในการนอบน้อมคุณแต่นี้ในหลักเขาว่าไงดูที่อ่านหำรกเขาว่าสัมมาสัมพุทธมรมตวลังสัสตมรรคนอภิวัทิยออข้าพระเจ้าขอนอบน้อมอภิวันธนาการแด่พระองค์ผู้ตัดสุยยยยย่ยแย่ธรรมทั้งหลายไม่มีผู้เปรียบปานย่ ย, ย, ย, ย่ธรรมก็เดี๋ยวต้องไปขยายอีกทีนะแย่ ย, ย, ย, ย่ธรรมนี้ก็ไม่ขยายไว้ทำที่ควรรู้ยิ่ง พระเศษสังอภิธรรมมรทสถานก็หังที่จริงถ้าเดี๋ยวเขาจะไปแยกขยายนะอ๋อขยายแล้วนี่ไงในที่อื่นก็น่าจะมีเขาแยกนี้สัมมาสัมพุทธมัตตุลังก็มีคําว่าสัมมาสัมพุทธังนี่เป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเพื่อตัดรู้ทำได้โดยตัวเองอ๋อมีท่านนี้มีใช่ไหมอ๋อเออสัมมาสัมพุทธมัทตุลังอ่ะมาจากสัมมาสัมพุทธังนะ แล้วก็อตุลังเนี่ยหาผู้เปรียบเสมอไม่ได้แล้วก็สัมมาสัมพุทธังเนี่ยเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะต่อมาจากคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอัตว่าทรงตัดสั้ยิ่ง ทรงทราบทรงแทงตลอดด้วยพยานเป็นอย่างดีซึ่งทําทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังคตธรรมทั้งที่เป็นอสังคตธรรมโดยไม่ผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนให้คำว่าสัมมาสัมพุทธมาตุลังศัพท์นี้ก็แปลว่าเป็นปัญญายานที่แทงตลอดอริยสัจได้โดยตนเอง <laughs> แทงตลอดทุกโดยการกําหนดรู้สมุทัย้วยการละนิโรธโ ด, ดยการทําให้แจ้งมรด้วยการจเจริญนีไ่ไม่รู้แล้แทงตลอดทุกขสัจจสมุทัยสัจจนิโรธสัจมจมรคสัจจเนี่ย ไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนไม่วิปริลิตเลยตรงตามความเป็นจริงและญาณปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นเลยนะโอ้สุดยอดตรงนี้แหละนั้นไม่ไม่มีโรกธาตุใดๆที่พยานของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยนั้นสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยิ่งใหญ่มากในตรงนี้นะเนี่ยแบบไม่ผิดเพี้ยนทั้งธรรมะที่เป็นสังกตธรรมทั้งที่เป็นอสังกตธรรมสังกตธรรมแปลว่าอะไรธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งหมดเลยนะ กระแสชีวิตทั้งหลายของประดาสัตว์ทั้งหลา ย, า ย, ลายในสากลจั ก, กรวาลทั้งสิ้นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยปัญญาที่เข้าไปแทงที่ไม่ได้เข้าไปสัมผัสไม่มีเลยนะเข้าไปแยกแยะโดยความเป็นอริยสัตว์หมดเลยทุกสมุทัยที่ลดมาและอสังกตธรรมคือพระนิพพานก็แทงตลอดได้ทั้งหมดนี่ในรายละเอียดก็นอย่างี้ประการต่อมาคือว่าโดยชอบเนี่ย ตรงตามความเป็นจริงไม่วิปริตผิดพลาดคาดเคลื่อนทาําเหล่าใดมีสภาวะที่เป็นทุกข์บีบคั้นพระองค์ก็ตรัสรู้ตามความเป็นจริงก็คือตรัสรูร้ลิขิตนั่นแหละเอ อ, อ ย, ยกตัวอย่างเช่นมรรคสัตว์เนี่ยพระเจ้ารู้วิธีการว่าจะให้เราเนี่ยประกอบมรรคสัตว์จากแตการดําเนินไปสู่ความทุกข์ยังไงไ อ, อ้นี่คือคือสัมมาสมัมพุทาพุทธิยถาเป็นอย่างนี้ ทีนี้ประการต่อมาก็คืออีกความหมายหนึ่งดูก่อนพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราก็ได้ละแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ชื่อว่าพุทธานะงั้นการที่เป็นสัมมาสัมพุทธาได้ที่นั้นก็คือตัศลุอริยสัตวสนะสับเนี้ยสัมมาสัมพุทธาก็คือตัศลุอริยสัตวสได้ตนเองได้ด้วยตนเองและสามารถประกาศหลักการนั้นในบุคคลอื่นรู้ได้ สัมมาสัมพุท ธ, ธะทางสดสาวหนึ่งแล้วก็อตุลังนะตรงนั้นเขาสมาดเขานั่นกันเลยว่าเนี่ยสัมสัมมาสัมพุท ธ, ธะมาตุลังก็คือมาแปลงสาวก็เป็นอตุลังอตุลังก็แปลว่าหาผู้เปรียบปรานไม่ได้พระนุรัตาจาร์เนี่ยระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าอตุลังเนี่ยเป็นการสมควรไหมบอกสมควร ตามธรรมดานั ying, beach, jar, eland, or, ้นการอุบัติเกิดขึ้นของพระปเจกพระเจ้าของสาวกทั้งหลายในสมัยหนึ่งหนึ่งอุบัติได้หลายองค์ไ้มพระปเจ๊พระเจ้าก็หลายองค์พระสาวกก็หลายองค์แต่การอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้าเนี่ยองเดียวเท่านั้นฉะนั้นจึงหาบุคคลเปรียบเปรียบมีได้นะด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอตุลังหาผู้เปรียบมีได้เป็นการเหมาะสมแล้วหรือการระลึกถึงการว่าอตุลังเนี่ยฉะนั้นพระอนุรุธาจารย์จึงกล่าว คุณของพระพุทธเจ้าได้บวชหนึ่งว่าอตุลังเนี่ยก็เพราะมีความประสงค์ใจะให้ผู้ศึกษาทั้งหลายได้ทราบว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นะนะ่ยไม่อุบัติเกิดขึ้นมาสองพระองค์เนาะได้องค์เดียวอีกความหมายหนึ่งก็คือสัตสัตธรรมรมคณุตตะมังพร้อมด้วยพระสัตธรรมและคณะสงฆ์ผู้สูงสุดธรรมมาสับหนึ่งกับธรรมมก็คือพระสัตธรรมนี่ยธรรมมในที่นี้ ก็คืออริยมรรคนะอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละมรรคสี่ที่จริงธรรมะศัพท์นี้ไปลวามรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็ได้ปริยัติเข้าอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่พระสัตรธรรมเนี่ยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพระสัตรธรมอีกหนึ่ ง, ง, งนะี่พระสัตรธรรมสิบประการนี่แหละเขาเรียกพระสัตรธรรมสัตรธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะของสัตว์บุรุษพูกสงบบาปสงบอกุศลธรรมสิประการดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนี ธรรมาสิปการส่วนสงคันคตมังเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยสุดสุดถูกิเลสเสห์ ห, าหนาตีตีสังโฆอริยสงฆ์ชื่อพระสงฆ์พระทวักกำจัดกิเลสทั้งหลายได้ด้วยดีก็แปลว่าเป็นคณะสงฆ์ผู้สูงสุดมีพระโสดาบันสกาทานาคาโดยเฉพาะพระทหารนี่แหละสรุปแล้วก็คือว่านั่นเป็นการนอบน้อมพระราชนตรัยเนาะคณะสงฆ์ผู้สูงสุด พร้อมทั้งพระสัธรรมและคณะสงฆ์ผู้สูงสุดสรุปแล้วก็ตอนนี้ก็นอบน้อมคณะพระสัธรรมก็คือนอบน้อมอริยมรรคสี่อริยผลสี่นิพพานหนึ่งพระสัธรรมหนึ่งก็คือพระปริยติสัตธรรมสิบประการนี้แหละเป็นพระธรรมเวลาเรากาบพระธรรมใช่ไหมเราเคยคิดถึงอย่างนี้ไหมเวลากาบพระธรรมเนี่ยกาบถึงเราเลือกถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพระปริยติธรรมหนึ่งเคคิดถึงขนารือที่ไหมนี่ไม่ถึงพระธรรม ส่วนพระสงค์ก็หมายถึงโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลทั้งหลายเ่านี่เป็นต้นนะเป็นคณะอริยบุคคลผู้สูงสุดอันอุดมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็แปลว่านอบน้อมว่าเราเป็นบุรุชนอยู่เราจะฝึกตนเองเป็นอริยสงฆ์ให้ได้สรบปแล้วพระรัตนตรายมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ย นี่คือการกลราบว่าการบูชาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่เข้าใจแล้วนะแต่ว่าการบูชาแล้วจะสามารถพ้นจากอุปสรรคอันตรายอย่างไรการนอบน้อมพระรัตนตรัยจะเป็นปัจจัยทําให้เกิดบุญอย่างมหาศาลอย่างไรการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นเป็นอริยะประเพณีที่ทําสืบสืบกันมาจนถุกวันนี้อย่างไรเนี่ยเอออย่านี้เขาไปดูในรายละเอยียดอีกทีนะแต่จริงๆตรงเนี้ยให้เรารู้สาระตรงนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเข้าใจแล้วมองเห็นนี่อย่างเป็นการงมงายไหมนอบนอบ้อมเนี่ย ไม่ได้งมงานต้องเกิดความเข้าใจด้วยนะเน่ยต่อไปตามไปไล่ไปที่มีอะไรบ้างอะไรจิตเนาะแต่นี่นะความหมายเออจิตคืออะไรก่อนต่อไปเรียนเรื่องจิตแล้วอารมมันังอารมณนวิชานะละขะนังนะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนาะ เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งคือรู้อารมณ์จิตเป็นตัวรู้สิ่งที่จิตสิ่งที่จิตรู้นั้นเป็นอารมณนะ์เนาะจิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์จริงไหมเออตรงเนี้ยบางทีทางโลกกับทางธรรมะเนี่ยมันมันต่างกันตรงเนี้ยเช่นเออท่านนายบอกว่าวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีใชเฮ้ยวันนี้อารมณ์ไม่ดีว่างั้นนะเออจริงๆเห็นไเนี่ยอันนั้นไปพูดถึงตัวอารมณ์ซะนี่ วันนี timing, ah i, ho, ้อารมณ์ดีว si e, ันนี้อารมณ์ไม่ดีมันกลายเป็นวันนี้อารมณ์ดีแปลว่าโหจิตดีนั่นเองวันนี้รู้จิตดีเกิดขึ้นทุกวันเลยว่าไงวันนี้อารมณ์ไม่ดีแปลว่าจิตไม่ดีถ้าถ้าพูดที้มันถูกคือว่าวันนี้จิตไม่ดีวันนี้อกุศลจิตเกิดวันนี้กุศลจิตเกิดต้องพูดอย่างนั้นตลอเห็นไหมคําว่าอารมณ์เป็นคําว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้อารมณ์เช่น ธรรมชาติของจิตไปรู้สีไปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐพ่ารู้ธรมรมอารมณ์เนี่ยนะอีกในหนึ่งจิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่รับมีทั้งรับมีทั้งจํามีทั้งคิดมีทั้งรู้ซึ่งอารมณ์ด้วยเออเอาเอารับด้วยอามารับนี่มาจากคาว่า ร, รัมมาังจินเตติ ต, ติจิตตังธรรมชาติได้ย่อมรับรับรู้อันเดียวกันเลยนะรู้อารมณ์นะั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตเนาะชื่อว่าจิตอืม ธรรมชาติใดย่อมคิดอันนี้มันมาจากการจิตาธาตุจินตาธาตุเนี่ยจิตจตติติมาจากศัพท์นี้ครว่าคิดเนี่ยเดี๋ยวนะในที่นี้ก่อนเ็าบอกว่าจึงรู้จำแล้วก็คิดต่อไปตามนยะตามภาษาบาลีเอ้าดูนัยะคิดก่อนเนาะจิตเตตีติจิตตังอรมณังวิชานาตีติอธโถ อัฏถะซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมชาติใดย่อมคิดขึ้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตจิตในที่นี้เป็นธรรมชาติย่อมคิดคิดก็คือรู้เนี่ยรู้อารมณ์รู้อารมณ์นั่นเองไอ้รู้กรับเนี่ยท่านใช้สาบเดียกในปฏิส า, ามาพิ昙มาร์าบาลีมหาวัคจิตมีชื่อเรียกเยอะเลยต้องจิบชื่อสิบความหมายน น, นะมีอะไรบ้างอ่ะ ยังจิตตังมโนหาทะยังมานาสังปันดารังมานายตนางมณินทรมณินทรียังนวิญญาณังวิญญาณขันโธตัดชามาโนวิญญาณะทาตุอีทางจิตตังเนี่ยนะในอัตสาหรณีที่แสดงไว้ทั้งสิบอย่างนี่แหละหนึ่งธรรมชาติใดย่อมคิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตเขาขยายไว้ไหมจริงๆมีที่ขยายอยู่นะอะไรไปดีสองธรรมชาติใดย่อมน้อมไปหารมธรรมชาตินั้นชื่อว่ามาโนมานาแปลว่าน้อมไป เหมือนกับก็น้อมน้อมไปหาอารมณ์เหมือนว่าน้อมนะแต่ลองให้สังเกตนะไม่ใช่จิตมันออกจากความรู้สึกแล้วมันวิ่งน้อมไปแล้วมันไม่ยอมนะมั น, ม, นมันที่จริงเหมือนน้อมไปนั่นแหละจิตนั่นแหละได้รวบรวมอารมณ์ไว้ภายในดังนั้นจึงชื่อว่าหาทะยังธรรมชาติชื่อว่าฉันทะที่มีใจนั่นเองชื่อว่ามานัตมานัสสจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องสายชื่อว่าบรระ ออแสดงว่าเนี่ยอคําบรรทัศนเนี่ก็ขาแปลว่าผ่องใสเนื้อถ้าผ่องใสเนี่ ย, ยจริงๆธรรมชาติจริง ๆ, ๆผ่องใสไหมเอ้าแต่เศร้าหมองเพราะเอเอจริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆธรรมชาติเขาผ่องใสโอ้โหถ้าใครอยู่กับจิตที่ไม่มีอะไรไม่มีกิเลสเขาไปเจอปนนี่ผ่องใสมหากุศลก็ผ่องใสอะไรก็ผ่องใสหมดแล้ยมานะนั่นเองเป็นอายตนะเป็นเครื่องต่อเนาะ เป็นตัวเชื่อมเป็นเครื่องต่อก <Okay. S 2> ็เร anyway. ียกมานายะธนะมนานั่นแหละที่เป็นอินทรีย์ก็เรียกมนินทรีย์ธรรมชาติใดรู้แจ้งอารมณ์ธรรมชาตินั้นเรียกวิญญาณวิญญาณนั่นแหละเป็นขันจึงเรียกวิญญาณขันหชัดไปเลยมานานั่นเองเป็นเป็ท่าชนิดหนึ่งรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ก็เรียกมโนวิญญาณธาตุเนี่ยสภาพลักษณะของจิตจิตในปรมาจารย์ธรรมจิตมีสภาวะหรือสภาพหรือลักษณะสองอย่างนะก็คือสามัญลักษณะกับวิเศสลักษณะ สามัญยลักษณะของจิตก็อนิจญ no, no, <arlo in folklore> ่า <tur> ล <inander> <t un> <t un> mm ักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกขและนาฏลักษณะลักษณะที่เป็นนาตาจิตเป็นอนิจังคือไม่เที่ยงไม่มั่นคงในนี้ก็ขยายไว้นะไม่ยั่งยืนตั้งอยู่ได้ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดการเกิดดับติดต่อเกิดดับเกิดดับจิตนี้เป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้นี่ก็แปลว่าทนไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนทนอยู่ไม่ได้ตลอดการจึงมีการเกิดดับที่จริงต้องใช้คำว่าบีบ กดดันขัดแย้งในตัวเองมันขัดแย้งตัวมันเองแล้วก็จิตเนี่ยเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่บงังคับบัญชาไม่ได้ก็คือเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนั่นเองมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตามีจริงั้มไม่มีจิตเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็ว พลุชนคนธรรมดาเข้าใจว่าจิตนี้ไม่มีการเกิดดับเออเขาพยายามเขียนไว้ดีตรงนี้นะแท้จริงความเกิดดับรวดเร็วรวดเร็วจนเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่เกิดดับมันไม่ตอบเนี่ยลักษณะลักษณะจิตุกะวิชานะลักษณะนังมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะนี่นีลักษณะของจิตเนี่ยจะต้องรู้อารมณ์การรับอารมณ์อยู่เสมอนั่นแหละจึงเรียกว่ารู้อารมณ์นะรับรู้นะอยู่ตลอดเวลาไหม มีการรับอารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยและใช่ประการต่อมาก็คือปุบพังคมาราสังเป็นเป็นประธานในธรรมทั้งปวงคำว่าเป็นประธานในธรรมทั้งปวงก็เป็นประธานของเวทนาขันเป็นประธานของสัญญาขันเป็นประธานของสังขารและขันคือเป็นประธานของเจตสิกห้าิบ ในันในบรดาปรมัต ธ, ธรรมเนี่ยนะจิตเจสิกเนี่ยใครเป็นประธานจิตเป็นประธานเป็นประธานของรูปด้วยเนี่ยแล้วก็สันธานะปัจจุปทานางังมีการเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏ น, นี่ผลอาการปรากฏของเขาก็คือนั่นแหละเกิดดับสืบต่อตลอดเลยอะไรเป็นเหตุใกล้นามรูปนามคือเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือ มหาพุทรลูปและอุปาทายรูบเป็นประธานาน้ำรูปเป็นเหตุไกลสรุปแล้วจําได้อย่างจิตมีลักษณะอะไรจิตมีลักษณะของสายไม่ใช่ไหนตรงเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวไปรักน้ำจิตมีรู้อารมณ์มีรู้อารมณ์เป็นลักษณะแล้วกิจรสะเป็นประธานของธรรมทั้งปวงเป็นกิจอาการปรากฏเป็นยังไงเกิดดับสืบต่อ เกิดดับสืบต่อเนียเก<อ>ิดขึ้นติดต่อกันไม่ไม่เกิดดับสืบต่อกันไม่ขาดสายอะไรเป็นเหตุใกล้นามรูปเนน้รูปเป็นเหตุใกล้วิญญาณปัจจยานามรูปังใช่ไหมวิญญาณปัจจานามรูปังก็หมายความว่านามรูปเนี่ยวิญญาณเป็นเหตุของนามรูปแม่และนามรูปก็เป็นเหตุ ข, ของวิญญาณอันเดียวกันนั่นแหละเอาต่อไปดู การรู้ไอในธรรมบทภาคสองเขายกมาท่านยกมาได้นะบอกว่าตรงเนี้ยบอกว่าลักษณะและสภาพของจิตเนี่ยบอกว่าทูรังคมังเอกจรังอสริรังคูหาสยังเ ย, ยจิตตังสัญเมสันติโมกขันติมารพันนาะชนทั้งหลายใดระวังจิตจักระวังจิต ซึ่งไปไกลไปเดียวไปเดียวไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างมีคูหาเป็นที่อาศัยไว้ได้ชนทั้งหลายจะพ้นจะบวชแห่งมารได้ออครูหาศัพท์นั้นน่ะต่อมาก็ามาแปลว่าหาทะยังหัวใจครูหาที่แปลว่าถ้ำไปไปมาหลายหลายคนก็เลยว่าเ อ, อ๊แล้วที่เกิดของจิตมันอะไรกันเน่ยมารยาหลังใช่ไหมออถ้าในคมภีร้ปฐฐาน ก็ใช้คําว่าวัตถุมีวัตถุเป็นที่อาศัยให้จิตแต่ว่าในคัมภียรพิธ ร, รมมายกอัตถกถาดีกามาก็เลยว่าวัตถุในที่นั้นก็ใส่คําว่าหัตถยาวัตถุไปไปมาก็เลยเถียงกันตรงนี้ยกหัวใจออกทำให้จิตนี้เกิดได้โอ้อไรายละเอียดเยอะเลยทีนี้นะบางคนนี้สมองใช่ไหมอะไรใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเถียงกันเยอะจิตเป็นสภาวะธรรมที่ทําให้เกิดทําให้เป็นไปได้คือทําให้วิจิตติหประการนะเออเนี่ยตรงที่สําคัญ วิจิตในการกระทําคือทําให้งดงามแปลกหน้าพิศวงพิรึกคือเช่นสิ่งของต่างๆเทมนุษย์ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเนี่ยการกระทําที่วิจิตวิจิตด้วยตนเองก็คือตัวจิตเองก็แปลกหน้าพิศวงเช่นจิตดีก็มีจิตชั่วก็มีจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรอีกเยอะแยะนะจิตนั้นสงบจิตมีปัญญาจิตที่มากเลยปัญญาจิตที่มีความจําเลอะเลือนทั้งหลายเหล่านี้วิจิตในการสั่งสมกรรมและกิเลสอย่างหน้าแปลก ก็คือเป็นที่ก่อเกิดของกรรมก็สั่งสมอยูย่ในจิตน่ะเมื่อเป็นตัวสั่งสมกรรมและกิเลสที่ทําไว้เองก็น่าแปลกหน้าพิษสวงยิ่งขึ้นไปก็ตรงที่ว่ากรรมอะไรที่ไม่ดีที่ทําเองก็ไม่น่าจะเก็บไว้มันก็เก็บไว้เนี่ยมันเก็บไวอ้อย่างอย่างอย่างมากมายเออไอตัวเก็บตัวเนี้ยมันเมื่อเมื่อวานเนี้ยอาจารย์ดูเรื่องอไอไอคนละลึกชาติที่เล่าให้ฟังภาพรูปนี้ท่านระลึกชาติเนี่ย ท่านบอกว่าที่ดนยิงอ่ะท่านยังเครืองเพื่อนเลยมาในปัจจุบันภพนี้ยังเครืองมันไม่หายด้วยงั้นไอ้กรณีแบบนี้เป็นเรื่องแปลกมันสั่งสมขนาดนะั้นวิจิตในการเก็บรักษาวิบากกรรมกิเลสสั่งสมมาไว้แล้วก็วิจิตในการสั่งสมสันดานของตนเองนี่หมายถึงการกระทําต่างๆนะอัธยาสัยที่สั่งสมเลยบ่อยๆสันตานะในการสืบต่อบ่อยๆๆๆในส่วนจริงมันจะวิจิตในตัวงมันอย่างไงแล้วก็จําแนก จิตอีกเป็นสี่ประเภทนะสี่ประเภทยังไงตามสภาพคือลักษณะของจิตเนี่ยจริงจริงจิตมีลักษณะอย่างเดียวนะจิตจริงๆเนี่ยคือสภาพอย่างเดียวเกิดที่ละดวงเกิดที่ละขณะแต่ว่าที่มาจำแนกแจกแจงที่เร า, าศึกษาในคำพีพระวิธรรมเนี่ยจำแนกกันไปตามสภาวะของแปดสบเก้าหรือร21ยี่บเอ็เนี่ยนะ กามาวจระจิตห้าสิี่รูปาวจจจิตสิบ้ารูปาวัจจะจิตสิบสองโลกุตราชิตแปดหรือสีิบรวมเป็นจิตแปดสิบเก้าร้อยบอ็ดวงเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปขยายกันเลยตรงนี้เอากามาวจระจิตแปลว่าอะไรเป็นจิตประเภทที่คล้องอยู่ที่ติดอยู่ที่หลงอยู่ที่เจืออยู่ในกามตัญหาหรือเป็นจิตที่ส่วนมากคืท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมินี่เขาเรียกว่ากามาวจจจิตไอตรงนี้เวลาแปลว่าจิตที่คล้องอยู่นะที่เจืออยู่ในกามตัญหา อันนี้นี่จะนี่แปลโดยไม่ใช่จริงๆการมตัญหาเนี่ยมันได้แก่โลภะใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ก า, ม า, ารมรรจิตเนี่ยไม่ใช่มีโลภะอย่างเดียวมีทั้งห้าิบสี่ดวงมีมหากุศลอยู่ในนั้นด้วยมหากิริยาอยู่ในนั้นด้วย <Yeah. S 1> เขาจึงแปลว่าจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิเป็นส่วนมากเนี่ยเขาเรียกกามจิตนะท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิ เป็นส่วนมากส่วนรูปาวจรัจิตเป็นจิตซึ่งเป็นรูปประชานี่นะพอใจที่จะเป็นรูปภระพหรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปประพมเป็นส่วนมากนะอย่างเงี้ยต้องใช้คำว่าส่วนมากคราส่วนอรูปาวจรัจิตเป็นจิตประเภทที่เข้าถึงอรูปประชานพอใจที่จะอยู่ในอรูปประพเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปประพแต่ถามว่ารูปาวัจรัจิตอรูปาวจรัจิตสามารถเกิดในการประพมได้ไหม ได้คนได้ฌานไง да, คนได้ฌานคนได้ไม่ใช่คนได้ฌานก็ทํารูปเอาวจจารจิตให้เกิดได้คนได้อรูปฌานก็ทําอรูปรจิตให้เกิดได้ใช่ไหมเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างท่านเจริญปฐมฌ า, านปุ๊บถ้าได้ปฐมฌ า, านก็รูปเอาวจจารปฐมฌานควรมันเกิดในท่านได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละสามารถทําให้เกิดได้แต่เห็นไหมเกิดในกามะพรมในกามบุคคลได้แต่ส่วนไม่ใช่ส่วนมาก แต่ถ้าหากพวกพรมล่ะเข้าไปอยู่บนโน้นแล้วเรียบร้อยเลยก็สามารถทำรูปชาญานะรูปชาญทั้งหลายให้เกิดขึ้นได้ว่าไปโลกุตรัจจิตเป็นจิตประเภทที่มีกำลังนก็คือพ้นจากโลกทั้งสามแล้วกามาโลกรูปมโลกอารูป์มโลกพ้นจากกายมาภูมิรูปรภูมิและอารูประภูมิจิตประเภทนี้เป็นจิตที่ประกอบด้วยองค์มรคนนโลกุตรัเนี่ย อง์มรักแปดแล้วก็ทำรร ม, มาที่เกิดร่วมกับมรักที่จริงจัดว่าเป็นชานเนี่ยนะประกอบด้วยชานด้วยก็จําแนกเป็นปฐมชาต ท, ทาาุติยชาตตัทธาชาติจตุชาตแล้วก็ปัญจมาชาติใช่ไหมก็จําแนกไปก็เลยกลายเป็น40ี่สบต่อไปเรื่องกา ม, มาวาจะระจิตเนี่ย ก็คือใน54ก็มาแยกเป็นอากุศลจิต12องอหิตุกจิต18แล้วก็กามาวาจรโสโภพนาจิต24่ส่อันนี้ดูรายละเอยียดน่ะนะมีความหมายคําว่าอากุศลจิตก่อนเขาแปลว่าเป็นจิตที่ไม่ฉลาดมัแปลได้เยอะไม่ดีไม่งามเป็นจิตที่ซมชั่วหยาบเป็นบาปมีโทษให้ผลเป็นทุกข์เป็นจิตที่เป็นไปได้โรคเป็นจิตที่มีโทษเป็นจิตที่มีของเสีย เป็นจิตที่ไม่สะอาดเอี่ยมอ่องไม่ผ่องแผ้วเป็นจิตที่มีมลทินต่ำช้าเร็วซ้ำก็ว่าไปเถอะเนี่ยจิตเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ไหมเอาอุสรจิตแต่ละอย่างทั้งโลภะโทสะโมหะเนาะเนี่ยวุ่นวายไม่เป็นสุขแล้วเนี่ยและในขณะที่เอาอุสรจิตเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ใดตอนนั้นจิตใจเป็นมโนกรรมเป็นมโนทุจริตไหมเนี่ยเวลาเ จ, เ, จเกิดเจตนาชั่วร้ายทั้งหลายเลยนยโอ้โหปุ่งแต่งขึ้นมาบาปอุสรกรรมก็เกิดขึ้นเนาะ เนี่ยต่างๆตรงนี้เกิดบ่อยจนพวกเราก็แยกกันไม่ยากแล้วไอ้เรื่องอกุศลเร่อฟังกันมาเยอะแล้วก็จะเริ่มเข้าใจเคยสังเกตไหมเวลาความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นความหลงมันเกิดขึ้นโลภะแปเกิดขึ้นโทสะสองเกิดขึ้นโมหะสองเดี๋ยวเข้าจะไปขยายแต่ละอย่างแต่ละอย่างตอนนี้เราจะไปเจาะประเด็นกั น, นต่อไปเจาะแต่ละข้อละข้อมันเป็นยังไงมันอุปมาอย่างไงมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราอย่างไรเนี่ยแต่อายะตุกาจิตเนี่ยเป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เป็นเพราะไม่มีเหตุบุญหรือเป็นเหตุบาปมาร่วมประกอบด้วยเป็นจิตที่เป็นประจําอยู่ทุกคนนะนะเกิดขึ้นเป็นนิดไม่มีเว้นว่างเลยเกิดสลับตลอดเวลาก็แปลว่าเป็นผลนะเช่นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณเนี่ยกายยวิญญาณเนี่ยมีทั้งผลของกุศลผลก็อกุศลเกิดตลอดเวลาเลยตราบใ ด, ดยังมีจักขุปัสสัตยังมีรูปารม์มีมานัศการในการที่จะดูโอ้มาแล้วจักขุวิญญาณมาแล้ว นั้นมีสัมปติชนะสันติระนาก็ว่าไปตามลําดับเนี่ยเป็นผลของกุศลอกุศลเนียเนี่ยตรงเนี้ย ต, ต่อไปก็เป็นการ ม, มาวจรารโสภนะใช่ไหมเป็นจิตที่งามฉลาดเออเนี่ยจิตดีแล้วเนี่ยไม่เดือดร้อนเป็นจิตที่สะอาดเอียบอ่องพองแผ่วไม่มีโทษไม่มีโรคไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปนความสุขสมานัทอยากให้เกิดไหมแบบนี้การ ม, มาวจรารโสภนะจิตโอ้จิตงามๆอย่างโดยเฉพาะาหากริยาจิต น, น่าเกือ ถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็มีสิทธิ์ใช้จิตเหล่านั้นถ้ายังไม่เป็นหมดสิทธิ์ตอนนี้เราได้ใช้กามเมาจะละจิตเป็นประจําคือจิตประเภทไหนมหมาวิบากไงนี่แหละพวกเราเป็นจิตประจําตัวของพวกเราอยู่เรามาจากมนุษย์ไงก็เลยได้มหมาวิบากดวงใดดวงหนึ่งทําหน้าที่เป็นปฏิสนธิมาแล้วก็เลยมีเป็นทำหน้าที่พะวังด้วยนะเรื่เราก็ได้ใช้ตรงนี้แหละวิบากอะไรเนี้ยเที่ยงไหม เราไม่รู้จะมีโอกาสใช้หมายบากดวงนี้ได้ไปอีกกี่วันก็นไม่รู้เพราะหมายบากตรงนี้ทําหน้าที่จุดติเมื่อไรไปว่าตายเมื่อไรต่อไปใหม่จะได้หมายบากมาทําหน้าที่ประเสธอีกตอบไหมไม่แน่ใช่ไหมอเหตุกาปฏิสิทธิธ์ก็ได้เจะประกายเป็นไอสัตว์นรกก็ได้นะสัตว์ดิบชานเปรตสุรกายก็ได้ไดอุเบขาสันติระนาอกุศลจะมาต่อปฏิสนธิเกิดต่อเราเมื่อไรหรืออุเบคาสันติระนากุศลเป็นมนุษย์หรือเทวดาบ้าบ้าบอดหนวกมีนะ มีด้วยเทวดาบ้าใบา บ, บอดหนวกโง่โงเซ่อเเยอะเอะเทวดากลุ่มนี้ก็เอยอะพวกขี้เล่าเมายาทั้งหลายพวกทําบาปปนบุญบุญปน บ, บาปทั้งหลายเหล่านี้พอตายไปแล้วก็จะได้ปฏิสนธิดวงนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกมนุษย์หรือเทวดาบ้าใบบอดหนวกปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดเลยว่างั้เถอะเงินเงินงางงาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่งั้เถอะอยากเป็นไหมล่ะวิธีอยากเป็นก็คือเนี่ยเวลาเรียนธรรมะเนี่ยก็ทํากรรมชั่วไปด้วย ให้นิวรณ์กุ้มลุมบ้างทํากรรมชั่วไปบ้างคิดชั่วคิดไรบ้างคิดบุญสลับบ้างวิธีการทําแบบเนี้ยแล้วต่อไปจะได้ได้กุศลประเภทเนี้ยประเภทกุศลที่มีกําลังอ่อนนําปฏิสนธิแล้วเราก็จะได้เป็นคนเออเป็นคนบ้าบใบบอดหนวกวิธีง่ายนิดเดียวเวลาเรียนอะไรก็ไม่ต้องไปสในใจอะไรมากเรียนไปก็ด่าไปยิ่งไปซัดไปมันนึกนกถึงนึกเรื่องไม่ดีอยู่เลยนึกกรมมาคุณบ้างนึกพยาบาทคนอื่นบ้างก็เรียนธรรมะบ้างให้มันกุศลอกุศลสลับกันอยู่ตลอดเวลาเนี้ย ง่วงบ้างเชียดบ้างอะไรเงี้ยนะกำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างแล้วก็ฟุ้งซ่านบ้างแล้วก็แล้วก็ประเภทที่หงอยเหงาเศร้าซึมบ้างลังเลสงสัยบ้างสลับอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีจะทำให้ปัญญาอ่อนแล้วกรรมที่เราทำร่มเนี่ยหรือว่าจะทำจะอ่านธรรมะก็อ่านซึมๆ ม, มีอทําทำๆวิธีการทำหน้าซึมๆงอยๆแล้วก็ทาใจมันเป็นให้นิวรันเขากุมลุมเยอะ แล้วก็มีกุศลขึ้นมานิดนึงนิวรณ์เยอะๆกุศลนิดนึงจำว่ากุศลเกิดสักประมาณห้าห้าห้าเปอร์เซนตเงี้ยเก้าสิบห้าอกุศลสลับโยงเนี้ยนะสลับสลับสลับบุญบาปบุญบะทาได้ไหมเออนั่นแหละทํำบ่อยๆไอ้ตัวเนี้ยจะทําให้ปัญญาอ่อนเวลามันกุศลเงี้ให้ผล <c oughs> น่ากลัวไ้มล่ะนั่นแหละเวลาวิธีถามมันทําง่ายอยู่แล้วเพราะเราชํนานาญอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเคยทำไหม ทำแบบนี้ทําให้บาปมันแทรกเป็นระยะระยะระยะคือบางครั้งท่องธรรมะไปแล้วเกิดกําหนัดขึ้นมาอย่างนั้นเลยโอ้เกิดกําหนัดเกิดขัดเครื่องเกิดลุ่มหลงขึ้นมาไอ้นี้กรณีแบบนี้กุศลทีนี้กรณีที่บอกว่าไอ้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วกามาวจรอะการมาวจรแต่ว่าถ้าเป็นการมาวจรที่มันมีกําลังจะมีปิจิตที่ไม่มีโทษนะ ที่ไม่มีโทษได้สังวรระงับแล้วก็ไม่ให้บาปอากุศลและทรรเกิดขึ้นจิตที่จิตอะไรบ้างที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลอาจจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งในเนแล้วก็ไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีโทษเป็นไปก็เนี่ยลักษณะเนี้ยก็คือเป็นกามมาวจระโสพนะะเป็นจิต ท, ที่สวยงามจิต ท, ที่ฉลาดจิต ท, ที่เอือ้ออ้าวไล่ต่อไปรูปาวจรัรูปาวจระร รูปาวจรจิตเป็นเป็นการการแสดงรูปาวจระรูปาวจเป็นการสอนมนุษย์ให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมอัั้นก็ว่าไปนันเป็นความเห็นเนี่ยอ่ะไล่ไปโลคุตระก็เป็นการสอนมนุษย์เทวดาให้พ้นจากทุกข์ก็แน่นอนอ้าวต่อไปอกุศลจิตเลยเดี๋ยนีเป็นจิตชั่วเป็นบาปให้ผลเป็นทุกข์ส่วนมากเกิดได้ง่ายเกิดได้บ่อยเออทำไม ส่นมากให้สังเกตดูนะถ้าถ้าทำไมอากุศลเกิดกับเราได้บ่อยมากแต่กุศลไม่ค่อยเกิดทีนี้ก็ถามแต่ว่าระหว่างอากุศลกับกุศลเนี่ยจิตอันไหนมีกำลังมากกว่ากันอจิตอะมีกำลังมากกว่าเห็นไหมว่า อกุศลเนี่ยเป็นกำลังกำลังกันน้อยเขาต้องอาศัยเกิดบ่อยๆเพราะเราโยนิสเราพิจารณาโดยไม่แยบคายนี่แหละมันเลยเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆทั้งๆที่มันเกิดบ่อยๆนานๆกุศลเกิดทีเรายังสว่างทั้งเยอะถ้าใครลองทํากุศลเกิดอย่างต่อเนื่องใดคนนั้นมีพลังมากเลยเห็นไหมอกุศลเนี่ยมันอาศัยเสพคุ้นบ่อยๆเกิดบ่อยๆแต่มันโคตรถ้าพูดกันง่ายกว่าโคตรเนี่ยมันทุรพลมันซ้ำกําลังมันไม่มีกําลังอะไรหรอก มันมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากเลยเหตุผลที่มันมีอิทธิพลมากก็ต้องไิเสพคุ้นบ่อยๆต้องไปลองโอ้โหลองต้องลองเพียรพยายามลองลองทําให้กามรมาลาค้าเกิดบ่อยๆที่อะลองคิดดูดนะข้าวแล้วก็เซ็งตายเลยอะมันเกิดได้แค่นั้นแหละเอ้ยโกรธเหมือนกันน่ะท่านลองไปมานาสิ ก, การที่จะโกรธคนให้มากๆเลยนี่โกรธมองมุมไม่ดีลองคิดทุกไง่ทุก ม, มุมนะข้าวนะข้าวเนี่ยโอ้เบื่อแล้ถ้าปัญญามันเกิดได้จริงๆ ตรงนี้เขาก็เลยบอกไว้เหตุปัจจัยไงในการพิจารณาอารมณ์ที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิกานเนี่ยก็คือการพิจารณาการใส่ใจที่ไม่แ ย, ยบขายที่เป็นปัจจัยเกิดอักุุนเกิดขึ้นหประการนี่แหละปุพเพอักตะพุ ญ, ญาตาไม่ได้สั่งสมบุญม้แต่บางก่อนแปลว่าอะไรข้อนี้เคตอดีตผิดพลาดบุญเก่าไม่ดีเช่นเช่นเมื่อวานก็ได้ อาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดือนที่แล้วก็ได้ปีที่แล้วก็ได้หลายปีที่แล้วชาติที่แล้วได้หมดเลยใช่ไหมเราเป็นคนสั่งสมบาปไว้ไม่ได้สั่งสมบุญทำแต่บาปไว้ไอ้อัธยาศัยขันธ์สัญญาณที่คุณเคยตัวนี้เข้าไว้มันเลยเป็นปัจจัยเกิดความเป็นผู้ไม่ฉลาดคิดในวันนี้อัปติรูประเทศวาสะอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรคือไปอยู่ห่างไกลผู้รู้ซะนี่ลองลองไปเกิดอยู่ในสลัมละบาปเกิดง่ายไหม ไปเกิดในหมู่โจรเงี้ยบาปโคตรเกิดง่ายเลยไปอยู่ในพวกอันกอีดาเงี้ยไอเออซเนี่ยโอโ้โหมันมีแต่เรื่องที่ถูกเดือดร้อนกั น, นั้งอาซาปุริสูปนิเสโยยะไม่ครอบหาสัตว์บรุษไปครบป่าปมิตรแล้วก็แล้วไปคบป่าปมิตรแล้วก็เลยอาสัตถธธมัสสวานะฟังแต่อสัต ธ, ธรรมนี้ไม่ได้ฟังพระสัตธรรมเลยเอา้าวลองลองฟังเรื่องฆ่าเงี้ย เรื่องกามาคุณเรื่องเรื่องทุกวันเนี่ยถ้าอยากให้บาปเกิดงไงเข้าไปดูใน YouTube ที่เขาฆ่ากันที่เขาข่มขืนกันที่เขาประทุษลายกันเรื่องเรื่องไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเสพเยอะๆเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วก็อัตตาวิชาปณิทิคำว่าตั้งตนด้วยผิดเนี่ยคือตั้งยังไง ตนมีศรัทธาก็ตั้งตน้มันไม่มีศรัทธาสิตนมันมันมีความเพียรก็ไปตั้งให้มันเกียรดค้านะใช่ไหมตั้งให้ตนเองเป็นคนหลงลืมสติเข้าไว้ให้เป็นคนที่เป็นคนฟุ้งซ่านอย่าไปสั่งสมมันลองลอ ง, ลองดูทีทำมันตรงเงินข้ามะตนมีศีลนี่ก็ทำลายศีลมันสะมีศรัทธาก็ทำลายศรัทธาที่ผิดไหมตั้งตนอย่างเงี้ย โอ้ตั้งตนด้วยผิดและเรียบร้อยบาปเกิดเนี่ยเหตุที่เป็นอายนิสสมนัสการ5ประการประการที่หนึ่งเป็นอดีตกรรมที่เหลือที่4นั่นก็เป็นปัจจุบันกรรมเนา ะ, ะต่อไปก็ขึ้นอกุศล12องโอ้ขึ้นเร็ว ม, มาเร็วนะอัฏฐาอัฏฐาทาโลพาโมลานีโทสามูลานีจารทิวทัวทวิทาโมหะลุนีจารทาเวติทาวาัตาสากุสลายสิยุงแปลความว่า อันนี้ก็จําโลภะแดโทสะสองโมหะสองจำง่ายเนี่ยโลภะเป็นจิตที่มีรากเงารากเงาเข้ามูลมาจากความอยากได้เนะมีโลภะเป็นมูลความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความติดใจความชอบใจในรมทั้งหลายเหล่านี้มีโลภะเป็นตัวนําเนาะโทสะก็เป็นจิตที่มีรากเงามาจากความไม่ชอบความเสียใจกุ้มใจรําคาญใจหงุดหงิดคือความโกรธความเกลียดความกลัว ความคิดประทุษล้ายความไม่อยากได้ในอารมณ์นั้นๆมีตทโทตสาโมหะก็มีรากเหง้ามาจากความหลงความงมงายนี่แหละนี่เขาก็ขยายแล้วล้วพูดถึงความโลภโลภภาโมนจิตเนี่ยเป็นจิตที่มีความอยากได้เป็นมูลเหตุนะเป็นจิตที่มีโลภเป็นตัวนำเรียกว่าอะไรโลภสหาหัตจิตแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรโลภสหาหตจิตสห เขแปลว่าจิตที่เกิดพร้อมพร้อมด้วยโลภะหรือจิตที่มีโลภะมีสี่ประเภทนะหนึ่งโลภะปริวาลกรรมมาปฏิสันทิกตาก็คือปฏิสันทิด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารข้อนี้จะอธิบายยังไงเอ่ยยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในปราสาทราชวัง มีสิ่งเลา้ามีสิ่งยั่วยุทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจเป็นบริวารมีความโลภเป็นบริวารอันนี้คนประเภทเนี้ยถ้าได้อารมณ์แบบนี้มามากๆามาก ม, ากมากแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอัตภาพนี้ก็เป็นคนที่ความโลภเกิดง่าย<ป>เกิดง่ายไหมพวกเราชอบไหมชอบสวยๆงามๆชอบเสียงเพ้อๆชอบสีสวยๆเสียงเพ้อๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยอร่อยสัมผัสนี่มๆเนี่ยจิตติมาจากพบที่มีโลภามากพบไหน ธรรมดาพบไหนพบที่มีโลภะเปรตกไ็ได้เปรตก็โลภะมาอยากตลอดครับไม่ใช่ธรรดาในพวกโลภะอยธารมนาเสมาโยโขก็คือได้ประสบอารมณ์ที่ดีๆอยู่เนืองๆโอ้โหเอื้อมากอปัจจุบันในพวกเราเนี่ยเออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโลภะเกิดได้ง่ายหรือได้ยากได้ง่ายตรงไหนอะไรทําให้โลภะเกิดโดยที่ทยิง่งเอ็ง ทุกวันนี้ถือว่าเราเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่โลภะเกิดง่ายาเล ย, ยเพราะจริงๆถ้าเป็นคารวะในกรุงเทพนี่ของสวยๆงามมากกว่าใช่ไหมอ๋ออย่างยกตัวอย่างเช่นในอะไรดีที่โลภะเกิดง่ายในในคุกเหรโลภะเกิดง่ายไหมไม่อยากอยู่เลยใช่ไหมอย่างงั้นใช่ไหมในโรงภาพยนตร์ ใ, ในศูนย์การค้า แก่ง่ายไหมแต่ถ้าคนบางคนเขาไปแล้วก็เบื่อเนี่ยคือมันมันจำเจหมดแล้วมันไม่มันคือมันดูมาจนอะไรมันดูจนละเอียดละอแล้วมันมันหามันหาความงามจริงๆไม่ได้เช่นอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็กินมาหมดแล้วงั้นตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยแหละได้ประสบอารมณ์ที่ดี แนวทางต่างเขาจะบอกว่าอัศธา ท, าทัศนังได้เห็นแต่สิ่งที่น่าชอบใจเราอยู่ในโลกแบบนี้มาเยอะไหมโลภะกสหะตะคตนะก็คือโลภาสหะกตจิตเนี่ยประกอบได้8แปดวงอา่างทองเลยเ อ, เอะไรยั เนี่ยจะแปลจานวนนี้แปลสำนวนใหม่ที่จริงสมัยก่อนเขาจะแปลบอกว่ า, าสมนัสสกตาตัง ท, ทิติกะตัดสัมยุตังอสังขารกางังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดใช่ไหมอันนี้เขาไปแปลว่าเอาจิตที่เอ า, เอ า, เ, อาเอาจิตที่ประกอบด้วยสมนานะขึ้นมาก่อนแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดมาเป็นประโยคมาเป็นท่านที่สองท่านสุด นนะมาแยกแยกการแปลการแปลจริงๆถ้าแปลตามสำนวนของอาจารย์โชอาจารย์สัทธรมโชติกาธรรมจริยาท่านจะเอาอาสังขาริกแปลก่อนอเอะไม่แล้วแต่แตจริงๆถ้าถามว่าบางคนก็ติดสำนวนนั้นมาแล้วอย่างอาจารย์เนี่ยจะติดสำนวนเดิมแต่ยี่ก็แปลถูกไห่ถูก ใช่ตรงนี้ก็ถ้าดวงที่สองก็เป็นสัสต์สังขาริกังก็คือไม่มีการชักชวนเกิดพร้อมด้วย ส, สมนัเสวนาเหมือนกันประกอบด้วยความมินผิดถ้าดวงที่สามก็เป็น ขึ้นโดยไม่มีสิ่งชักชวนอุเกขาสหอา่าตังที่ผิดท่าตาสัมไปยุตังสาสังขาทิกลงจิตโลกที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวนคุปเกขาสะอาด่าตังที่ผิดท่าตาสัมไปยุตังสาสังขาทิกลางจิตโลกที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นโดยมีสิชักชวนอเกะาสาหตาตัท่ฆาตวิไยุตัาสังขายิกัจิตโลกเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเไม่ระอบ้ความิเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวนปเะาสาตทตายุตสาสังายกโลกที่เพรมด้วยความเฉยเประกอบความเห็นผิดเกิดขึ้นโดย โลพาสหคตังโลพาสหคตจิตแปดดวงนี้มีสิ่งที่คว ร, รทาความเข้าใจสรงนี้ตรงนี้ก็ให้ดูโลพาก่อนเนาะในความหมายของตรงนี้ก็คือว่าในโลภาหมระจิตแปดเนี่ยจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดนี่แหละประการแรกก็พูดถึงเวทานาเป็นธรรมชาติที่สวยอารมณ์นะ เวทนาอารมณ์คืออะไรอารมณ์ก็คือเช่นภาพที่เห็นด้วยตาเสียงที่เห็นได้ที่ได้ยินได้หูเนาะกลิ่นที่สามารถรู้ได้ทางจมูกรสที่รู้ได้ทางลิ้นสัมผัสที่รู้ได้ทางกายเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์เพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติที่น่วงเหนียวน่วงเหนียวจิตเนาะน่วงเหนียวจิตคือให้รู้ อารมณ์นี้เป็นธรรมชาติที่จิตรู้เช่นภาพเป็นอารมณ์ทางตาการเห็นวิญญาณที่รู้อารมณ์และในเวลาที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเวทนาเกิดร่วมตลอดนะเวทนาที่เกิดร่วมตลอดเนี่ยทีนี้ไอตัวเวทนาที่มันเกิดร่วมในขณะที่จิตเข้าไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจก็จะต้องมีเวทนาเวทนาท่านมีสามแต่ในที่นี้ได้สองเวทนา ก็คือถ้าหน้าปรารถนาเป็นอารมณ์ดีหน้าปรารถนาตัวเองชอบอันนี้ก็เป็นสุขขึ้นมาก็เรียกสุขเวทนาถ้าไม่ดีไม่ปราดไม่น่าปราถนาไม่ชอบก็กลายเป็นทุกเวทนาถ้าอารมณ์เป็นบารกลางไม่ดีใจหรือเห็นซ้ำๆซ้ำๆจนจําเจแล้วก็กลายเป็นอเวขาไปเนี่ยทีนี้ในเวลาเกิดสุขเกิดทุกข์หรือเกิดเฉยๆเนี่ย มันเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ทั้งเวทนาทั้งหมดเนะเป็นเวทนาทั้งหมดถ้าเป็นสุขเวทนาท่านแบ่งเป็น2 ส, สุขทางกายกับสุขทางใจถ้าเป็นทุกขเวทนาก็สองทุกทางกายกับทางใจก็เรียกโทมานตส่วนอุเบขาได้ทางใจอย่างเดียวนะได้ทางใจอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ก็แยกแยกอย่างนี้เป็นเวทนา5 งั้นคำว่าอุเบกขาที่เป็นอุเบกขาเนี่ยเขแปลว่าความเพ่งหรือการวางเฉยเนี่ยนะความวางใจเป็นกลางอุเบกขาเพราะแล้วเพ่งหรือสวยอารมณ์เนี่ยในฝ่ายของอิทธารมอารมณ์ที่สัตว์น่าปรารถนาเป็นต้นเหล่านี้หรืออารมณ์นั้นไม่ได้ปรารถนาก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าอุเบกขาเกิดขึ้นปุ๊บมันก็กลายเป็นการวางใจเป็นกลางไม่ได้ บางทีไม่ได้อยู่ที่อารมณ์มันอยู่ที่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเห็นจนชินแล้วจำเจแล้วเวลาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นใช่ไหมถ้าเห็นหน้าคนที่เรารักนานๆเห็นทีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใช่ไหมเออเนี่ยไอ้ตื่นเต้นเหล่านั้นเป็นอะไรโทรมนัสหรือสมานัส ต้องมานั่งเห็นหน้าที่เราเกลียดคนที่เราเ ก, กลียดเสียใจเห็นได้ไงถุยอะไรเนี่ยนะไม่อยากเห็นมันเลยเนี่ยเห็นจนจำเจซ้ำซากหรือเห็นแล้วไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เป็นอุเบกขาทีนี้ทิฏฐิทิฏฐินี้แปลว่าที่จริงแปลว่าเห็นแต่ในที่นี้ทิฏฐิแปลว่าอะไรทำให้ทั้งบอกเห็นผิดทั้งทั้งทิฏฐิอย่างเดียว เออก็อบอกว่าทิฏฐิเนี้เป็นปประกอบกับความโลภใช่ไหมทิฏฐิเนี่ยในภาพวิธ ร, รมนี้ท่านเจาะลงไปว่าเป็นเกิดในโลภะจิตมันเลยกลายเป็นความเห็นผิดทั้งๆทิฏฐิศัพ์นี้แปลว่าความเห็นเท่านั้นเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีเลยคาว่าทิฏฐิคตตาเนี่ยัแปลว่าอะไรเนี่ยคตตาศัพท์เนี้ไม่มีความหมายนยะคัตตาศัพท์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มีความหมายเป็นพิเศษอย่างอื่น นี่ในความยึดมั่นเนี่ยในความเป็นอัตตาอัตานิย่าเนี่ยคือสิ่งที่เนื่องกับอัตตาเขียนว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงทั้งหลายนี่ทิฏฐิมันก็เลยแยกเป็นหลายอย่างเลยเนี่ยเอาอย่างพวกเรามีทิฏฐิสามัญหรือเป็นทิฏฐิพิเศษเแปลว่าอะไรได้ทิฏฐิพิเศษเคืออะไร เราคิดว่าฆ่ายุงตัวนึงเนี่ยจะตกนกตกรกไม่แล้วจริงเลยเราเห็นไ ง, งนไม่ตอนสมัยก่อนเนี่ยเราคิดไหมฆ่าปลาฆ่ากุ้งเที่ยมมากินเนี่ยมันจะเป็นบาปได้ยังไงเคยคิดไหมก็ใช่ไหมแต่ก่อนเราก็ก็เราก็มีความเห็นอย่างงั้นไหมจริงจริงแล้วฆ่าปลาฆ่ากุ้งฆ่าหอยปูปลาทั้งหลายฆ่ายุงฆ่าปลวก ฆ่ามดฆ <halluc Investment. S 1> ่าแมลงทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันจะไปมันจะไปตกนรกได้ยังไงมันจะเป็นบาปได้ยังไงไม่ไม่สามารถที่จะเป็นเหตุนําพาไปสู่นรกได้หรอกมันจะไม่มีมีผลให้เป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นการทําบาปเห็นไหมมันเป็นทั้งอหตทธุกขาทิฏฐิก็ได้ปฏิเสธเหตุก็ได้เป็นนักทิฏฐิปฏิเสธผลก็ได้ว่าไม่สามารถไปลงอภัยทุกติวิธิบาสนรกได้หรอก เป็นอัคคียาทิฏฐอการกระทําอย่างนี้ไม่เรียกว่า บ, บุญไม่เรียกว่า บ, บาปหรอกเอาเคยเป็นไหมล่าเราเนี่ยทิฏฐิพิเศษประเภทนี้เอาเคยเห็นว่าโลกเที่ยงไหมตายแล้วมันก็เที่ยงแท้แน่นอนเป็นคนก็ตายก็เกิดเป็นคนเป็นสุนัขกายเป็นสุนัขหรือคิดว่าเฮ้ยมันศูนย์ตายเสร็จก็หมดแล้วไม่มีอะไรเกิดต่อสิบต่อเคยคิดแบบนี้ไหมเคยเห็นว่าขาศูนย์ไหม กรณีแบบนี้เขาเรียกทิฐิสามัญหรือพิเศษพิเศษนี่นอย่าว่าไปนะเราทิฐิพิเศษสามารถเกิดกับเราได้นะเนี่ยเป็นนี้สรุปแล้วก็คือสมนัสเกิดขึ้นนะแล้วก็ทิฐิประการต่อมาคือการชักชวนการชักชวนของผู้อื่นเนี่ยต้องใช้ประโยค่าเท่าไหร่การชักชวนจะมีสองทางสามทางนะ การชักชวนของผู้อื่นก็ใช้ทั้งกายยัวานกับวิจีฑวานถ้าการชักชวนตัวเองก็ใช้สามทางกายถวานวิจีทวานและมโนถวานกายไปโยคะมาตร ก, การชักชวนคนอื่นใช้กายได้ไหมทําไงกวากมือแล้วอะไรอีกพยักหน้าได้ไหมยักคิ้วหลีวตาได้หมดเลยนะกระดิกหูเรียกกันเนี่ยเนี่ยแล้วกรณีแบบนี้ เเรียกว่าใช้กายทวาจีก็ใช้คำพูดนี่แหละทีนี้ถ้าชักชวนตัวเองอะถ้าใช้กายชักชวนตัวเองทำไง okay, <what? S 1> ก็ใช้ตากายแตกแต่งอริยบทไงร่างกายให้เกิดความมั่นใจใช่ไหมเฮ้ยถ้า ท, ท่านจะเดินไปท่านจะเดินไปเทศเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมเฮ้ยต้องเดินแบบนี้เว้ย มันถึงจะคิดว่าเราแน่ <laughs> มันถึงจะดูโก้ดูอะไรเงี้ย <c oughs> ไปเบีนตะบะอะไรเงี้ยใช้กายตัวเองชักชวนให้เกิดความมั่นใจตัวเองนะ <c oughs> เคยเป็นไหมละ่ะแอนแอนต้องเดินต้องเดินยุบประเภทอย่างนี้เราเว้ยเดินยืดๆหน่อยนี่แหละรู้สึกว่าเดินแล้วรู้สึกมันเกิดความมั่นใจอะไรเงี้ย <c oughs> เคยเคยไหมใช้กายชักชวนตัวเองไหมไม่ <c oughs> ใช้ว่าจีทํทาไงเช่นยังไงเคยเป็นไหม เฮ้ ย, ยกลัวทําไมวะทําทไมเราจะไม่กล้าว่าเคยไม่เคยพูดคนเดียวนี่เฮ้ยเราเราเราต้องสู้พูดเปล่งออกมาเลยเคยไหมเนี่ยในหลัชักชวนตัวเองถ้าด้วยใจทําไงคิดไตร่ตรองทบ่อยโดยมากเราใช้ทวารไหนอืที่ชักชวนเนี่ยชักชวนให้เกิดโลภธาตุสารหรือโมหะหรือเกิดกุศลโดยส่วนใหญ่โ <laughs> <laughs> อ้พวกเหล่านี้ต้องเปลี่ยนใหม่แต่เนี้ยนะเขาก็ใช้ตัวนี้แหละจูงกุศลเกิดขึ้น ใชไหมสมมติจะไปต้นโพมันขี้เกียจทำไงดีไม่ใช่ใช้คําพูดก็อย่าแปลกใจเลยที่มันไม่พ้นทุกข์มันก็คิดแบบนี้แล้วไงก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรชาติต่อไปมันจะได้ไปเป็นเป็ดเฝ้าอยู่แถวนี้แหละจะไเป็นยุงบ้างเป็นมดบ้างเป็นปลวกบ้างเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นเป็ดเป็นอสุรกายอยู่แถวนี้แหละ ไม่ไปใช่ไหมก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชักชวนได้ไหมล่ะโอ้ยไปเลยลองที่พู ด, ดบ่อยๆทีของโหทีนี้ลุกขึ้นทันทีหรืออย่างกําลังนอนอยู่เนี่ยลองดูดี่พูดออกมนใช้ใจก่อนก็ได้ชักชวนนะตื่นซิมันนอนอยู่ทําไมอย่างเงี้ยนียมันจมอยู่กับการนอนจมอยู่ในสังสารวัฏอยู่นี่แหละบ้าเนี่ยนึกเนี้ยเนี่ย แล้วก็แล้วก็ให้คําพูดตัวนึงว่าเห็นไหมกระตุกเมื่อกี้บอกให้ตื่นตื่นยังจะหลับต่ออีก <c oughs> ใช่ไหมไม่อายเลยนะบวชก็บวชมาแล้วตั้งใจก็ตั้งใจมาแล้วมีเจตนามาตั้งแต่วันบวชมาวันนี้ยังมานอนไม่รู้เรื่องรู้เล่าทาเผลอสติอยู่อย่างนี้แหละแล้ว อ, อยากประกาศตนเองว่าอยากจะพ้นทุกดูที่หัวก็โกนแล้วคิ้วก็โกนแล้วหนวดก็โกนแล้ว จีวงจีวรแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วยังมาทําตัวเกียจค้านเขาอีกนี่อยากจอมอยู่ในอบพุ่มก็เอานอนต่อไปอย่างเงี้ยมันจะกระตุกไงเขาให้เขตือนตัวเองแบบนี้แล้วก็ใช้ใช้ใจชักชวนเราไม่เคยทํากันเลยมั้งแบบเนี้ยแล้วแต่ว่ามีแต่ยอย่างเฮ้ย<อ><อ><อ><อ>นอนต่อสักหน่อยเถะอะวะกระชักชวนไหมกรชักชวนทั้งน<อ>ั้นแหละจะไหมเฮ้ย อ, อย่าเพิ่งตื่นเลยไม่เป็นไรหรอกมีอะไรหรอกนอนไปเลย นี่มีชักจวนนะเออก็เปลี่ยนใหม่สิเนี่ยพอเล่บางทีพอเสียงก็สวดมนต์กันตั้งแต่ทีสามทีสี่ขึ้นมาลำคานใหญ่เว้ยใช่ไหมลำคานสวดเลยบ้าบ้าบุบออะไรก็ไม่รู้นอนไม่หลับเลยเนี่ยกูจะหลับสักหน่อยก็เสียงดังกอกหูใครไมคคิดหม่ไม่ได้ยินเลยเลยโอ้โหตายเลย โอ้โหตายเลยท่านยองอยู่เนี่ยท่านยองลำคานเลยอ่ะว้นเครียดเลยครับาาอยองเครียดเลยโอ้ทั้พวกเราที่สบายเลยใช่ไหมอเอากอกหูก็ไม่ได้ยินใช่ไหมโห้โมหามีกำลังแท้เห็นไหมจะเป็นอาสาังขารลกหรือสาัสางขารเลิกกหูเห็นไหมบางทีเสียงชักชวนขนาดนี้ยังไม่อยากลุกขึ้นมาเ <laughs> คย อ, อยากลุกเพราะได้ยินเสียงโยโซภักวะรุกขึ้นสาธุสาธุยิงใ้ใจไหม เราขึ้นมานั่งกรรมฐานโอ้ยชื่นใจเหลือเกินเขพาพรรณนาคุณของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าหนั ก, นกเดียวหนักเดียวอ้พวกเรานี่ประโยคะไม่แรงเลยเนี่กายประโยชน์ค้าวจีประโยค้ามโนกประโยค้ก็สังเกตดูนะว่าประโยค้ส่วนไหนที่มีกําลังมากที่สุดให้สังเกตอย่างนั้นประโยค้ตรงไหนมีกําลังมากเราก็ใช้ประโยคะในการที่ประโยค้าในทางทําบุญหรือทําบาปเป็นกุศลหรืออกุศลโดยมากอ่ะแล้วเป็นประโยค้าในด้านของโลภะโทสะโมหะใช่ไหม ในความโลภพวกนี้บางทีเราก็คิดปูงแต่งอยู่นั่นแหละกระตุ้นเตือนไปในทางนี้บ่อยเนี่ยเราพอเราคิดพวกนี้บ่อยๆเราเราชักชวนทางกายประโยคน้าววัจีประโยคน้ามโนปรโยคน้าบ่อยๆบาปมันจะเกิดเพราะเราไปให้อาหารมันประโยคน์ข้ามบ่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆที่ส่วนจริงมันก็เกิดอยู่นั่นแหละตอนนี้ยนัย่นจะแปลกใจนะว่าทําไมมันมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมต่อไปอสังคาริกษัตรสังคาริ เมื่อกี้อธิบายไปแล้วไม่ใช่หรอข้ามผมผมไม่ได้ลากมาอ๋อจจ อ, อธิบายแล้วนี่อธิบายไปเดี๋ยว ต, ตรงนี้เขาคำว่าทิฏฐิอ่ะตามพยานชนะเก็ปแปลว่าความเห็นไงเขาก็แปลใช่หไหมมิจฉาทิฏฐิควา ม, มเห็นผิดเหตุที่เห็นผิดก็เพราะว่ามันเป็นอกุศลทิฏฐิก็ตัดสมยุติเกิดการโลภะไงมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวเท่านั้นถูกจับอะไรนะถูกจับผิดผอ๋อนั่นก็เกี่ยวกับเรื่องไนะ ไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่ออธิถิยกไปแล้วไม่มีอะไรอสังคาริกเอาแต่เนี้ยโดยไม่มีการชักชวนกับโดยมีการชักชวนชักชวนก็กายประโยคะอันนี้บอกไปแล้วอธิบายแล้วเมื่อกี้อธิบายกันหมดแล้วใช่ไ้มเอาต่อไปเหตุที่ทาให้เกิดโลภะสมานัตปฏิสันธีเดสมานัต เหตุที่ทําให้เกิดสมณัะในโลภามูลนะเออพวกเนี้ยไม่มีความสุ ข, ขมุมคัมภีรภาพมีความคิดแบบปกติก็คือไม่มีความคิดที่ลึกซึ้งเ อ, อ้ยสําคัญมากคื อ, ค, อคือถ้าคิดห ย, ยาบหยาบโลภะมันเกิดไอ้คโนประเภทนี้ยโลภะเกิดง่ายคือไม่ได้คิดเจาะให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมอะ่มมนะโลภะเออมันจะเป็นอย่างงี้แล้วก็ประการต่อมาคือว่าได้ประสอบอารมณ์ที่ดี แล้วก็พ้นจากความพินาถ้าประการก็คือพวกพวกไอเสื่อมจากญาตินะภัยพิบัติทั้งหลายเหลา่านี้เป็นต้นเหลา่านี้โรคคาพยาสนะทิดไอไอสีรพยาสนะทั้งหลายไอพวกกลุ่มพวกพินาถทั้งหลายเนี่ยกลุ่มญาติกลุ่มอันตรายทั้งหลาย โรคฆาพยาสนะเนี่ยความพินาศเพราะโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนทิฏฐิพยาสนะความพินาศก็คือความเห็นผิดจากทํานองของธรรมศียรพยัสนะก็คือความผิดคือตรงนี้ไงพอไม่ได้ความความวิบัติของสิ่งเหล่านี้แล้วปั๊บมันเลยกลายเป็นความโลคมันเกิดได้ง่ายเพราอมาเจอแต่สิ่งที่ดีๆเยอนะใช่ไห ม, มไนะทีนี้ให้สังเกตดูเร้ว คนที่เกิดความโลภไปข้อแรกเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ า, ามีความคิดไม่สุ ข, ขุมอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเห็นนะครับวิธีจะให้ความโลภเกิดเนี่ยมองอะไรแบบลวกๆโอ้ดีๆๆมองอ ย, อ, ยอย่าไปคิดละเอียดนะถ้าลองไปจอบละเอียดดูที่ทั้งผมทั้งขนเนี่ยเรามองไปที่มองไปที่เ네นนแฮมเนี่ยมองมองธรรมดาเนี่ยไลองมองเจอะไปที่ผิวหน้าโอ้โหอย่างกับโรคพระจันอะ์เลย่างน ดูที่แนวดูทั้งโลขมขนทั้งอะไรทั้งหลายมีทั้งมันไขมันไม่ใช่ถ้าเรามองลวกๆไงแต่ถ้าเจาะลงไปเลื่อกเจาะไปที่ฟันเจาะไปที่เหงือกเจาะไปที่น้ําลายเจาะไปที่เนี่ยไอที่ปลายไ อ, ไอปลายลิ้นก็มีน้ําลายใสๆตรงกลางก็ขุ่นหน่อย คนลิ้นก็เหลืองเตะติดเนื้อหนึบเป็น น, น้ำน้ำลายที่เหนียวเนอะติดอยู่ไงเวลาเอาอาหารกินเข้าไปเนื้อเกลือกั่วกันผสมทั้งน้ำลายใสน้ำลายแบบกลางๆน้ำลายแบบแบบเหลืองๆไงนะติดข้นกันก็กินอร่อยแล้วเกิดในคนค น, นั้นแท้จริงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องพิจารณารายละเอียดอย่างเงี้ยวาพลาดเกิดไหม <Okay. S 1> คนคนที่พิจารณารแบบสุขุมเนี่ยล่มลึกทั้งหลายเลยเนี่ยความโลภไม่ค่อยเกิดคือเขาเจาะเห็นรายละเอียดจัดแต่ถ้าอยากให้ความโลภเกิดเนี่ย อ่ะยังยก็อย่างเช่นคนที่ไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องการเมคุลใช่ไหมอย่าไปคิดเยอะนะถ้าคิดเยอะแล้วเกี่ยวข้องกันไม่ได้เลยนะถ้าไปคิดเยอะขึ้นมาอะไรวะโอ้โหอวัยวะดูที่มีแต่ของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยมีแต่พวกไอ้ของสปกปรกมีเชื้อโรคเต็มไปหมดใช่ไหมทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะมันอยู่แถวนั้นเลยเต็มไปหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นน่ารักตรงไหนวะดูฟันดูน้ำลายดูน้ำเหลืองดูเหงื่อใคร ถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ความโลภจะเกิดไหมนมันไม่เกิด อ, อ่าไล่ไปเออนี้อุเบกขาสมานัตเนาะโลภะโลภะที่เป็นอุเบกขามีความสุขขมลุ่มลึกพวกนี้คืออย่างนี้เวลาคิดอะไรละเอียดยิกแล้วมันจะกลายเป็นนี่หมายถึงปัญญาไม่เกิดนะ แต่โลภะละเอียดมันจะเกิดเช่นเราจะทําอะไรก็ต้องวิจิตบันจงแล้วมันจะมีความเฉยอยู่นะคิดจนเราวิจิตบันจงแล้วมันจะเห็นมันจะมีความงามแบบละเอียดมันก็เลยวางใจเป็นกลางในนั้นมองเห็นไหมใช่ออุเบกขาอุเบกขาเมันเกิดมาจากความคิดที่สุขุมกับเพลพระมีความลึกซึ้งงั้นคนที่เฉยเฉยทั้งหลายอนี่ยนะ คนที่ไม่ค่อยมัวล้ออะไรนะพวกนี้จะคิดละเอียดกว่าความค น, คนที่ตลกขนองคนประเภทที่เห็นอะไรก็เฉยเฉยแล้วไม่ค่อยพูดประเภทเนี้แต่เขาเขาเขาพอใจเขายินดีนะยินดีแบบเฉยเฉยนะไม่ใช่ไม่ยินดีนะแต่เขายินดีในภาวะที่ละเอียดอ่อนเขาจะเป็นคนช่างสังเกตต้องงดงามอย่างนั้นของอะไรต้องประดิษฐ์ประดอ ย, อยงั้นอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขาจึงจะได้ความสุขใจนิดนิ ด, นดลึกซึ้งของเขา นี่เป็นอย่างนั้นได้ประสบอารมณ์ที่เป็นบางกลางกลางเนีอารมณ์ที่เป็น <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็พ้นจากพยาสนามือนกันพวกจากความวิบัติทั้งหลายแล้วก็มีสันดานเป็นคนใบ้สันดานเป็นคนใบ้ในที่นี้ <c oughs> อัจฉริยะใสก็คือไม่ค่อยพูดนั่นแหเหตุ <c oughs> ให้เกิดทิศฐิก้ต่สัมปยุตอา่าทิศ วิปปณาปกคละเสวนตาชอบคบหาคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิรู้สึกฟั ง, ไ ม, ฟงไม่ฟังเวลาไปพวกนี้นะเวลาไปฟังคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดแล้วมันสนุกบาปไม่มีบุญไม่มีไปเชื่ออะไรกันนะกันหนาพวกคนโง่ใช่ไหมพวกคนโง่หลอกเอาคนฉลาดหลอกคนโง่ความเงนินเถอะ นี่แมันสอนลักษณะนี้เนี่ยคบหาบ่อยๆสัต ธ, ธรรมมาวิมุตตะก็คือไม่ศึกษาภาษสัต ธ, ธรรมอย่าไปเรียนเรื่องเหตุเรื่องผลอย่าไปเรียนเรื่องความจริงของชีวิตของโลกมิชาวิตากาพหูละตาก็คือว่าชอบคิดแต่เรื่องที่ผิดๆเพราะเรื่องผิดๆมาทีไรนะี่ชอบคิดยกตัวอย่างเช่นว่าตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดนะโอ้มันต้องศูนย์มันไม่มีเหลือคิดไปเรื่อยๆไอบาปกรรมไม่มีจริงอ่ะสัจสอนกันมั่วๆหรือว่าคนโง่สอนยันไ ง, ไงไงนะี ชอบคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยมันจะไปบาปได้ยังไงฮะใช่ก็คิด แ, แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรย ๆ, ๆ, ๆ, ๆคิดในเรื่องทางที่ผิดผิดเขาสอนเรื่องบาปเรื่องบุญโอ้ยเดียบุญบาปอะไรเด้๋ยวาการทาผิดกันแย่ๆหม ด, ดเรื่องคิดกับเรื่องเนี้นะนน้ามันเสพคุ้นอย่างเงี้ยยากแล้วก็จอมอยู่ในความพิจารณาที่ไม่แยบขายก็คือชอบใส่ใจในเรื่องที่ผิดผิดแล้วก็ชอบใส่ใจมันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายไปต้น เนี่ยเหตุที่จะทําให้เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างเงี้ยอีกข้อหนึ่งก็คืออะไรเนี่ยเหตุที่ทําให้เป็นทิฏฐิกตาวิประยุต์อันนี้ไม่มีไม่มีสัจสตาทิฏฐิแล้วเหตุทิฏฐิเป็นอัธยาศัยก็คือไม่เป็นคนทิฏฐิเจริตแล้วก็ไม่สมาคมกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิม่งหน้าหาวัสดธรรมมากไปด้วยความคิดที่คิดถูกคิดชอบ ก็คือไม่จอมอยู่ในความพิจารณาที่ไม่แยบขายตรงนี้ดีมากเนฉะนั้นคนที่มีความโลภแบบโลภาพวิปยุทธเนี่ยเขาดีนะครับเป็นพเพราวอทิฏฐิกะตะวิปยุทธนะอ๋อมันก็มีสองส่วนมีทั้งอุเบกขามีทั้งบางทีต้องสังเกตดูว่าเขาเป็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่าอ๋อไอ้ตัวทิฏฐิกะตะวิปยุทธถือประเภทที่เป็น ทิฏฐิไม่ประกอบเนี่ยเพราะเขาเป็นคนประเภทอย่างเงี้ยไม่มีอัจฉิยาศัยที่สั่งสมมาเรื่องอุเฉะท่กับสัตสตสตะเป็นต้นคือทิฏฐิพิเศษเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งสมมาในอดีตแล้วก็และอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเขาไม่คบหาพวกมิจฉาทิฏฐิเขาเห็นใครเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เดินหนีเลยพวกไม่ดูแลพ่อแม่พวกดา่พกดาพา่อด่าแม่แต่ถ้าคนหาพุ่งหาพระสัตธรรมอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรที่เป็นความดีอะไรเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งหลายอยากจะศึกษาเรื่องอย่างเนี้ย แล้วก็ชอบคิดในเรื่องที่มันเป็นความดีช่วยเหลือเผือแผ่อะไรเงี้ยจิตจะ น, น้อมไปในเรื่องนี้แล้วก็ไม่จมอยู่กับพวกอโยนิสมนัสิกาเริ่มเห็นไหมมุมพวกนี้ฮะนนใช่ไหมแล้วเหตุให้เกิดอสังขาริกอกุศลอสังขาริกที่เนี่ยโหอกุศลอสังขาริกมีปฏิสนธิเกิดจากอาสังขาริกที่เป็นอกุศลคร แล้วก็มีความสุขกายสบายใจแข็งแรงมีความแข็งแรงกายก็แข็งแรงใจก็แข็งแรงมีความอดทนต่อความเย็นและความร้อนเป็นต้นจันเคยชิน <c oughs> แล้วก็เห็นผลในการงานที่จะพึงกระทำมีความชํานาญในการงานที่ทําได้อากาศดีอาหารดีเป็นต้น เ, ออเหตุเหล่านี้นะ อ่าเป็นเหตุเป็นเหตุที่จะทัาเป็นอสังขาริกนะเหตุเป uh ็นอสังขาริกอสังขาริกในที่นี้มันทั้งดีและไม่ดีนะครับเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นข้อแรกในข้อแรกเนี่ยมีความสุขกายสบายใจแข็งแรงโอ้ยคนประเภทนี่้บางทีมันทำมันค่อนข้างที่เป็นอสังขาริกที่เป็นอกุศลก็ได้นะอสังขาริกที่เป็นกุศลก็ได้เนี่ยตัวประเภทนี้ พราะได้ความร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก็เลยมั่นใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีแล้วประมาทมัวเมาเลยคิดเองอะไรเองไปทางทางด้านบาปได้ง่ายก็ได้หรือด้วยความที่แข็งแรงแบบนี้ก็เลยเอาความแข็งแรงตัวเองไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอะไรเงี้ยนะมีความอดทนต่อความเย็นเพราะสภาพร่างกายทตัวเองแข็งแรงทางด้านกายจิตใจเลยมีความอดทนต่อความเย็นและความร้อนได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดบากบั่นได้ดีเนี่ยเห็นผลว่าทําพบจะได้ผลอย่างนั้นทําพบจะได้ผลอย่างนี้ถ้าโลภแล้วมันจะได้ผลของความโลภ โกรธขึ้นมาทําให้ปกครองคนได้อะไรก็แล้วแต่ยี้มันมันท <c oughs> ั้งแนวพระอาจารย์พระอาจารย์อสังคาริกเนี่ยจะไปลักษณะแบบนี้นมีความชํานาญในการงานที่ทำํำมีอาหารดีต่างๆเกลือกูนทั้งหลายเลยนี่เป็นต้ น, นเป็นต้นนะอุตุส ป, ปายะอะไรก็ส ป, ปายะเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอสังคาริกได้อย่างงี้เป็นต้นเ อ, อวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วมั้